ในครั้งนี้จะได้บรรยายเกี่ยวในบเรื่องของพระไตรายปิฎกวันนี้จะบรรยายในทีพนิกายปาธิกาวะในสังขีปิสุตก็จะบรรยายนไปตามลาดับ ในสูตรนี้จริงแล้วมีมากแต่ก like um ็จะบรรยายว่าวิธีลำดับนะนะโมตัสสะพัคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเออว่าโดยในสูตรนี้ก็คือขึ้นเริ่มต้นในว่าเจวังเมสุตัง บุคคลพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาพเจ้าสเสด็จการิศไปในแวนมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปได้สเสด็จถึงกรุงปาวาของเจ้ามันละทราบว่าสมัย น, นั้นใพระผู้มีพระภาพเจ้าเนี่ยประทับอยู่ในสวนมะม่วงของนายจุนทักัมมารบุตรเค กุงปาวานะตรงนี้เป็นเป็นหัวข้อของสุตรทีนี้ตระกูาท่านก็มาขยายคําว่าเจวามสุตตังติสังคีติสุตตังเป็นต้นบอกสังคีติสูตรนี่มีคําเริ่มต้นว่าเจวเมีสุตตังเป็นต้นเนี่ยนะในสังคีติสูตรนั้นเนี่ยมีคําอธิบายเป็นไปตามลำดับบก็คือว่ามาจากคาว่าจาริกังเจรมาโนติ มีพัทธาจาริกกรรมจรมาโน่เาบอกว่าจาริกกรรมเจรมาโนเขาหมายถึงว่าสเสด็จเที่ยวไปอย่างมีพัทธาจาริกเขาบอกว่าได้ยินมาว่าในครั้งนั้นเนี่ยท้าสาสดาเนไหมก็แผ่ขยายหรือแผ่ขายพยานเนะี่ยไปในหมื่นจักรวาลก็ตรวจ ด, ดูสักโลกอยู่ก็ได้เล็งเห็นเรา มละราชชาวเมืองปาวาคือพวกมลราศัพท์ก็เข้ามาในขายพยานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในเวลาจะเสดจนี้ไปนะที่ไหนเนี่ยนะจะมีการแขกขายพยาเลยดนะ้วยคว่ า, ขาแขกขายพยานก็หมายความว่าวสัพพยุตยานอนาวารณญานของพระพุทธเจ้าเนะี่ก็ตรวจดูว่าเอศัอกเราใดหนอที่จะมีปัญญาในการนี้จัด จะตัดสู้ธทรรมของพระผู้มีพระภานไหมก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อแผ่ท า, ายพยาก็เห็นเหล่ามรณะกษัตริย์ชาวเมือปาวาเนี่ยก็เลยคํานึงบอกว่าราชาเหล่านี้มาปรากฏในขายคือสัพพัญญุตายานของเราก็เลยพิจารณาต่อไปว่าจะมีอะไรต่อปวะมาณนึงก็ตรวจดูว่าก็ได้ทรงเห็นข้อนี้ว่าราชาทั้งหลายเนี่ยได้สร้างสันฐานฐานค า, านขึ้นแห่น บอได้สร้างราชาขึ้นอย่างหนึ่งเมื่อเราไปก็จับให้เราเกล่าวมงคลเราเก่าบมงคลแก่ราชาทาันแล้วเนี่ยส่งกลับไปแล้วเนี่ยแล้วมัจจกบอกแก่ภาษาลิบุตรว่าเคยจงกล่าบทำมรดขาาแก่ภิกษุทีนี้ภาษาริบุตรพิจารณาโดยเมตไตรปิฎกแล้วเนี่ยจึงกล่าวสังคีติ่สูขแก่หมู่ภิกษุประดับไปด้วยปัญหาหนึ่งพันสิบสี่ข้อ และพิสูจน์ห้าร้อยลูปนั่นแ่ละลลึกถึงวัตถุนี้แล้วจะ บ, บรรลุเป็นผ้าหลานพร้อมด้วยปฏิสัมพิทากินได้เสด็จจรกไปมปรรคเจ้าพิจารณาดูว่าเออเนี่ยที่พระองค์จะเสด็จไปที่เมืองปาวานเนี่ยของพวกมารักษ์เนี่ยนะก็บอกว่ากษัตริย์ชาวมารักษ์เนี่ยสร้างสันาทารขึ้นที่ถวายพระบรมส า, าสดา a เมื targets, er, for Navy, ่อถวายพระบรมสารดานะพระสาสดาเสด็จไปหน้าที่ตรงนี้แล้วเดี่ยพระราชานี่ก็จะนิมนต์ให้ไปพักสันทาครังแล้วก็จะให้พระพุทธเจ้ากล่าวมงคตคาถาพระพุทธเจ้าไปกล่าวมงคตคาถาและหน้าที่นั้นแหละมีภิกษุเสด็จตามพระพุทธเจ้าถึงห้าร้อยรูปแล้วพระพุทธเจ้าประทารพบเห็นว่าและหนที่ตรงนั้นท่านพระสารีบุตรก็จะร้อยกองมาทำวิถีใช่ไหมคือการร้อยกองแบบเป็น สังคีติเข้หมายความประการร้อยกองพระตรปิฏกจะรวบรวมหัวข้อธรรมะเริ่มตั้งแต่ธรรมะหมวดหนึน่งบมวดสองหมวดสามหมวดสี่เป็นต้นเปตามลําดับให้กับภิกษุห้าร้อยรูปได้ไดฟังคือพระพุทธเจ้าจะตาลบให้ท่านพระตาริบุตรกับโดยการตาลบเหตุสุ่อย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดจริงๆภิกษุเหล่านั้นเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย ค้าเ า, าสอนของพระพุทธเจ้าหลวงนี้มาสาธยายมารำลึกลึกเป็นเสด็จและจะเป็นปัจจัยในการบรรลุเป็นป้าฐานแล้วก็แตกฐานประฏิสงังขารอย่างพุท hmm. เจ้าเลยเลือกเขีย น, นเขีย น, แบบนแบบนี้แล้วก็เลยจาวิกันดนะ้วยเหตุนั้นท่านตรีสาวมันเลสุใจากามเทระมาโนเปิดตน้นเลยทีนี้สมัยนั้นเนี่ยท้อพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุพภัตกา อุปทักษะที่พวกเจ้ามันละกรุงปาวาเนโปรสร้างสําเร็จแล้วได้ในนานยังไม่มีสัมมนหรือครามหรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้าบรนลานี่นะกรุงปาวาได้สดับข่าวลงว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จจาริมเนแป้บรรนละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห ม, มู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปก็ได้เสด็จไปถึงกรุงปาวาโดยลำดับประทับนั่งณนะสวนมะม่วงของนายจุนทากกมลบุตร เยนเมืองปาวาเนี่ยทีนี้ต่อมาเนี่ยพวกเจ้ามันละคุงปาวาก็ได้พ า, า, ากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประทับทั้นเฝ้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายอภิวาเขระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ประทับนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพวกเจ้ามันละคุงปาวาผู้ประทับนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ พ, พะระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาล ท้องมารงหลังใหม่อันมีนามว่าปุพัตตกัดที่พวกเจ้าบรรดาคุณปราวาโปรดสร้างให้สําเร็จแล้วได้ในนั้นเนี่ยยังไม่มีไซฉมณะหรือพามหรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยอย่างนี้แต่แล้วไ้อาจาว่าพวกเจ้าบรรดาเนี่ยก็าบอกไม่มีใครหรือมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยยกเว้นเดียวเดียวอยขอพระคุณดีบาคาล เจ้าจงใช้สอยท้อพ่อลงนั้นเป็นปฐมมาเริกด้วยเถิดสมัยก่อนเวลาเขา้างที่ใหม่ๆเขาจะไม่ร้างพักอ่ะอันนี้นะการลงสร้างที่ใหม่ๆเราลองลองทำแบบสมัยนักวุฒิการก็ดีเหมือนกันเลยมีวันเ้นนาวิพวกเจ้าไะล้าคูมบาวาจัดได้ใช้จัดได้ใช้ในไายหลังที่ก็ะพุทธมีพระค่าใช้ประฏิญปฐมมาเลิกแล้วข้ อ, อนั้นเนี่ย จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่ออูนเพื่อความสุขแก่พวกเจ้ามันรักผู้คลองกูปาวาตลอดกาลนะเพราะพวกมีพระภาคเจ้าทรงรักมิมนด้วยอาการดุษณีนครับดุษณีคําว่าดุษณีเนี่ยอาการดุษณีเนี่ยมาจากคาว่าตัวนี้ภาเวนะตัวนี้ภาเวนะขเขาแปลว่ารับโดยดุษณีนะครับก็แปลอาการที่สงบเวลาไปมิมนค่ะในสมัยสมุนเดลการหรือพวกพระเจ้าถึงต้นเนี่ย ถ้าบอกว่าขอขาพระู้มีพระภาเจ้าจงใช้สัญญาทางนี้เพื่อใหรเป็นประมาเดอร์เพืเป็นอุดมมงคลแต่พวกข้าพเจ้าเมื่อเราผู้มีพระภาเจ้ารับทํามแล้วต่อมาเจ้าเวละได้ใช้สอยแล้วจะได้เป็นอุดมมงคลเนี้นะถ้าหากพระพุทธเจ้าทรงรับพระพุทธเจ้าเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าพระพุทธเจ้าจกไม่ทรงรับเดี๋ยพระเจ้าจะบอกว่าอ๋มีคนทุ่มีคนอะไรนี่ไปต้อง แสดงให้เห็นชัดว่าเขาเขไม่ค่อยพูดท่องเครื่องใช่ไหมเขาไม่ได้ย่าเรื่องเนียไม่เหมือนพวกเราอย่าลืมนะอย่า ล, มาลืมนะเราไปจะย่าอะไรอย่างเงี้เวลาพูดเทั น, น, นวันนี้เท่านั้นนะ <c oughs> <c oughs> าว่าปุกพตกังเนี่ยเป็นชื่อของสันาทาคารแห่ง น, นั้นอีกในหนึ่งเรียกว่าปุกพรตกังอย่างนั้นเพราะเป็นอาคารที่สูงคาว่าอุกพรตกังเป็นอาคารที่สูง คำว่าสัญถาคารังหมายถึงศาลาที่ประชุมกลางเมืองท่า น, นถ้าศาลาใดที่ทําขึ้นเป็นโรงศาลาเป็นที่ประชุมกันในกลางเมืองเนะี่ยบาลีท่านใช้คําว่าสัญถาคารัเรียกเป็นภาษาไทยว่าสัญถาคารคือเป็นศาลาที่ประชุมกมันเยอะถ้าในปัจจุบันเนี่ย ถ้าในาจังหวัดแต่ละจังหวัดเขาเรียกว่าสาราการถ้าเป็นสาราการก็เป็นที่ประชุมเป็นที่ทํางานของหน่วยงานราชการของที่ประชาชนที่ไปติดต่อประสานงานถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าสังขาคารสังขาคารในคําว่าสั ม, มเนธวารเนี่ยเพราะเหตุที่เทวดาทั้งหลายย่อมถือเอาที่อยู่ของตนในเวลาที่กําหนดพื้นที่ปลูกเรือนนั้นเนี่ เทวดาเทวดาถือเอาที่อยู่ของตนในเวลาที่กําหนดพื้นที่ปลูกขึ้นถ้าเวลาเป็นช้าชนไปกำหนดพื้นที่ปลูกเพื่อนเนี่ยเทวดาเขาก็จะจะเริ่มเริ่มได้ที่นะว่าเออนี้ยากแล้วปลูกรี่เริ่มเป็นอย่างนี้นะถ้าอย่างเราไปกําหนดที่หน้าที่ตรงไหนเนี่ยเทวดาที่เป็นพวกเป็นพ้อเป็นมิตรนัยเป็นอะไรต่างๆก็่ไจะได้มีที่อยู่อาศัยอย่าลืมนะว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ย เราที่เป็นเจ้าบ้านทั้งหลายเนี่ยเราเป็นผู้อนุญาตให้เทวดาทั้งหลายมสยแต่ถ้าวันใจวันหนึ่งเราไม่พอใจึ้นมาเนี่ยเราขับเทวดาออกจากบ้านแล้วเข้าใจไหมขับออกได้ถ้าสมมุตินะเราไปอยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่งเกิดว่าทาความเลือดร้อนให้กับเราใช่ไหอย่างยกตัวอย่างเช่นเมืเ่อจะอนาถิธีกิกาเศรษฐี มีอยู่ข้างเป็นเทวดาบน่นบ่นว่าอนาณาถาพิทัรษ์ใส่สีในทาําจะบุญใช่ไหมเมื่อทําบุญก็เลยซึ้งเืองซึ้งเปลืองอก็เลยยากจนพออนณาถาได้ยินแน่นั้นี่ยเอนี่มีแต่พิถีเทวดาลไล่ออกจากบ้านไปเลยบอกว่าคนพันนี้ไม่ต้องมาอยู่กับเราเราไม่ของการพบกันเทวดาไม่มีที่อยู่ร้องร้องไห้ก็ไปโน่นไปไปขาเท้าจ่าตุง ข้าจะทุกข์เราบอกว่าเาเป็นวามติก้องท่านแล้วท่านเป็นวิการที่ตีบูบาศกหมายถึงว่าอนาถาเป็นพิกาท่ทานเป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะทําความดีเรีห้ามเลยรเขาเหนะ็นไหมดันั้นกาหาาเทวดาในบ้านมาเข้าฝ่ามาห้ามเราทํลลาบุญเนี่ยเทวดานั้นเราเรต้องขับด้วยอวันนี้ไม่ดีแต่ว่าจะเทวดาที่ต้องมาเตือนมาอะไรการที่เป็นสัมมาทิฏฐิกันดีเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีไนงะ คนในประเทศไทยเลยยังไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีการขับไล่เทวดาออกตึกเไม่เคยมีอยู่แค่นี้อยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นยอมพ่อมาเล่าอีกคับโอ้บ้านเขาเนี่ยมีแต่ความเดือดร้อนวัวงั้นนะทำอะไรที่ท่าก็เลยปรึกษากันเอไปร่ําเรียงมาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็ได้ละอำมันมีอยู่บทหนึ่งเขาเรียกปอพาปอบาชีเดียกรรมวั คือเป็นคาถาเป็นที่เขาเรียกว่าเวลาไป็สาธยายเนี่ยใช้อำนาจของสมเป็นสาธยายสาธยายขับไล่อัมนุษย์และบุคคลที่ไม่หวังดีทั้งหลายที่มาอาศัยอยู่ในบ้านหนลเชิญไปใช้กับ ท, ท, ท่านจะปปักขายทีนี้เราก็ดู้อหขับออกไปก็รื้อเชิญออกไว้ะเชิญก็คือขับใช่ไหมยกตัวอย่างถ้ามีใครเข้ามาบ้านแล้วเนียต้องมาเชิญ กูไม่พอใจกูเชิญออกไปเลยก็คตอบำได้เลยแหละแต่ภาษาบาลีนี่มันขอบพาจรีงๆทำมห้ไหวก็คือเป็นอํานาจข้องสูงในการเชิญเชิญท่านที่ไม่หวังดีก็ยังหวกบ้ า, านนีออกก็แต่ต้องให้เจ้าของบ้านยอมเนี่ยพระภาษาท ย, ยพวกอมนุษยทั้งหลายพวกยักษ์อมนุย์ทั้งหลายเแาเนี้ยฟังฟังบทนี้แล้วอยู่ไม่ได้ต้อเป็ช อ, ออกไปละพอออกไปไปซื้อก็เชิญสมมาที่ตี่เทวดาเข้ามาอาราขาอยู่แทนที่ จะได้ปกป่าคุ้มครองรักษามันมีมันยังบทนี้ในในประเทศไทยไม่ค่อมีพร็ตอนนั้นไปที่ไศึกษาที่ทาที่ท่านมาจากประเทศก็มายยท่านก็ท่านก็ถวายมา ก, ก็เลยดีดีนั่นแะนี้ไม่ใช่เราเราไปการ่เทียวไเที่ยวแต่ว่ามันมีนัมันมีบท น, นี้ ม, น ม, ม, มันก็แต่ น, นี่ของประเทศไทยของเรามากแตแล้วมาพิมพ์พิมพไว้ตอนนั้นก็ใครท้าเอาไปสาธยาย ฉะนั้นนะะถ้าบอกว่าเทวดาทั้งหลายถือเอาที่อยู่ของตนในเวลาที่กําหนดพื้นที่ปลูกเรือนนั่นเองฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวว่าเทเวนวาแต่กล่าวว่าสมนเนนวาพรานเนนวาเจนติวามนุษย์สภูตนะสมณพาหมหรือใครๆที่เป็นมนุษย์เห็นไหมก็หมายความแบว่าในสูตรนี้ยท่านไม่บอกว่าชาวบรรดาบอกว่าเนี่ยมนุษย์หรือใครๆเนี่ย ยังไม่ได้มาอยู่บอกนะแต่เขามีความรู้กันเป็นอย่างนี้ว่าที่จริงเทวดายั่อาศัยใช่ไหมท่านดะสร้างสันทาคาขังเขาไว้ท่าที่ไหนเน่ยเทวดาก็อาศัยอยู่แล้วแต่ไม่มีมนุษย์หรือสมุนธามาท่านใดมาอาศัยอยู่เลยท่านจะอลไรบอกนีมก่มนุษย์พระพุทธเจ้าให้มาอยู่อาศัยเป็นประถมแล้ว ฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้อจริงๆเทวดาจับจองที่อาศัยเบ็ดเสร็จตั้งแต่กําหน ด, ดที่ปลูกพื้นที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนั้นที่ทุกที่นี่นะที่เราไปจับจองไปปลูกไปอะไรต่นมีเทวดาอยู่ถามว่าในต้นไม้มีเทวดาอยู่ไหมเขาบอกว่าต้นไม้เนี่อาจารย์ถามท่านบอกว่าถ้าหากว่าแก่นของต้นไม้เท่ากับเหล็กจารต่อระมาณกัเข้ากัดินสองถ้าแก่นไม้โตเข้ากับดินสอเนี่นะ ต้นไมาต้นนั้นมีเทวดาใสแล้วถ้าเราจะไปตัดไปโคนอะไรต่างๆเนี่ยก็หลบอกบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายที่แสงเชิญไอยู่ต้นเดินแล้วมันจะตัดไฟที่ราที่มนนะจะเป็นผ้าตัดก็เป็นพระบัดทั้นดีข้างข้ามพต้นแต่อย่ามาจะตัดกับอาจารย์ก็นอบอกว่าเราจะอยู่ที่เดินนั้นาจะย้ายที่นัใช่ไหมจะตอกแต้มมันเยอะๆก็ได้อันนี้เัานี้ครผ้ใร่ไห ถ้าไม่รู้ก็ตัดบางทีเป็นป ต, ตัดการในต้นที่เดียวดาที่มีปฏิหารมากๆเลยไม่เป็นโทษแลเรื่องนี้นะเราจะไปคิดว่ามันไม่ดีมันมีอยู่ที่ห น, นึ่งนะทั้งภาคใต้ในหลวงให้ทำที่ก็ใช้แท็กเตอร์ท ำ, ท, ำทำเพราะจะจะทำเป็นคลองเรื่องมีต้นไม้อีกต้น คือเขาดันล่อมันเสร็จแล้วแต่พออีกต้นไม้ต้นนี้พอไปที่ไรเครื่อนเราขับเอาใช้เรือขุดใหญ่ๆนี่วิ่งวิ่งวิ่งไปเรือขุดเสิยทีม่มากกว่า น, ะะา น, นั้นในทหารนัไปเลยร้อยทีป่วยเันน้ำกรงก็ที่ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องถึงในหลวงเรื่องถึงในหลวงว่าทำยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ในหลวงก็เลยเลยเลยพระราชทาลนลงไปเลาไปดูแล้วก็เลยบอกถ้อ ย, ย่างนั้นก็ ปอยไว้ยนะังก็เลยตามสารเยียร์ตาทุกวันเนี่ยที่ตรงนั้นทาไม่ได้เลยก็เลยปล่อยเป็นเป็นเป็ น, อป น, นรอบเป็นเหมือนเกาะเลยที่อื่นทาได้หมดเลยตรงนั้นเป็นเกาะ่เขามีศาสตรั้งไวนี่ขนาดนั้นขนาดได้หลวงขอยังไม่ให้เทสบอยดียังไก็เป็นคออันนี้อันนี้ก็เป็นเรแต่เเช้า นี่คำว่าเยนะพัาวานนะเยนะพัาวาเยนุปปสสังกามินสุก็าแปลว่าพวกเจ้ามาลาดาได้สดับถาวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเนี่ยจึงดมรีว่าแม้พวกเราจากที่ได้ไปทูลเชิญพระผู้มีพระภาคมาทรั้งไม่ได้ส่งพูดไปกราบทูลนี้เสด็จมาแต่พระองค์ก็สเสด็จมาที่อยู่ของพวกเราเองมีภิกษุหมู่ใหญ่เป็นบริวารและพวกเรา ก็ไม่ได้สร้างสันทาาราขึ้นแล้วเออพวกเขาว่าพวกเราก็ได้สร้างสันทาาราขึ้นมาแล้วเราจักอารเชิญสเสด็จตัณฑสกุลมาให้สงกล่าวมงคลคนน่นาสันทาราขาข้นนี้ดังนี้จินได้เข้าไปบ้างก็เลยตำหนิว่าเออเอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเราไม่ได้มีมรรคเจ้ามาเนะนียยังานเนี่ยแพรเขาจะเจ้ากลัมานะในที่ของเราแล้วเนี่ยเออเป็นมงคลแล้ววะแม่ อย่างนั้นเลยเราจัะไปกันแล้วาาก็จะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าวอมในที่สุสมมุมู่ใหญ่ให้ประทับใสัานาการนี้นน <c oughs> ก็เป็นมงคลลําดับนั้นพวกเจ้าบละกรุงปาวานะทราบถ้าอาการที่พระพุ่ทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุจากที่รถถทททประทับถวายที่ว่าพระพุทธมีพระภาคเจ้าการะําประทับศีลแล้วก็สเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงหลังใหม่กระทาประทับศีลเวลาเขงไป กราบพระพุทธเจ้าเป็นเบ็ดเสร็จเวลาจะเดินจากพระพุทธเจ้าไปหน้าที่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จะต้องทำบัตรทักสิแสดงว่าเขาเคารพคยิยับัตรทักิคืออาการเคารพหรอเหมือนเราไปที่พระธาตุที่เจดีย์หรือวัดูกคุใหญ่ๆทุกวันเราก็ไปทำบัตรทักิไปกราบเสร็จก็ทำบัตรทักิาราไแล้ว ขันเสด็จเข้าไปแล้วจึงรับสาให้ครูเครื่องล่าทั่วท้องพระโรงภูอัตนาตั้งหม้อน้ําตาลประทีบน้ํามันแล้วก็เข้าไปเป้าพระมูมีพระถึงที่ประทับขันเสด็จเข้าไปเป้าแล้วถวายีิว่าพระภูมีประภาแล้วประทับยืนอยู่ห น, น้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้ า, าบัละคูปาวาผู้ประทับยืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระภูมีประพาว่ า, า, วาข้าแต่พระองค์เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูเครื่องราดทวดท้องพรโรงปูตาสนะตั้งหม้อน้ำตามบัตรีน้ำมันแล้วขอพระผู้มีประภาคจงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบบนี้เถิดแล้วคำว่าเยนส ม, สมน า, าขาคารางเตนุอุปสรรคกบมินสุก็แปลว่าเจ้ามรรดาเหล่านั้นคิดว่าได้สราบมาว่าช่งางทำกิจกรรมในสังมาขาเนเสร็จแล้ว แต่พวกความยามหมายถึงหอคอยเนี่ยนะแต่ความยามเพิ่งจะเสร็จในวันนั้นและธรรมดาต้องพระเจ้าทั้ลหลายทรงมีอัจิยาใสา่ชอบต่าคือยินดีในต่าเพิ่งทรงพอใจแล้วก็มีพระทัยประทับอยู่ภายในบ้านหรือหรือหรือใน ห, ห, หรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้เพราะฉะนั้นเราทราบถึงพระไทยัยของพระพุทธเจ้า ก, ก่อนจึงจัดเตรียมการดัง น, นี้แล้วก็เข้าไป เลยบอกว่าเออจะไปจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดูทิศทางลงก่อนว่าพุทเจ้าจะประทับไหมใช่ไหมเพราะปกติในพระพุทธเจ้าเนี่ยชอบตากแต่นี้เราจะสร้างให้อยู่กลางเมืองวันเนี้ท่านจะประทับให้หอยู่ไหมก็ต้องไปไปถามแต่หลักนี้พวกเจ้ามาแล้วสมจะเตรียมการให้ต้องมาไทยของผู้ผู้มีพระภาคจึงเข้าไปยังสังถาค่าไอคำว่า สัพพาสันธรินก็แปลว่าปูราอย่างพร้อมสัพสัพพาแปลว่าพร้อมห น, น, นึ่ยสันธรินก็แปลว่าปูราอาสนะอะไตา่างๆเหมือนเราจะจัดงานนี่นียก็แปลว่าต้องพร้อมเนในบ้านต้องพร้อม อ, อันหนึ่งในคำว่าเยนะพัตวาเตนะอุปสรรคมินสูวิแปลว่าเจ้าพวกเจ้าบรรดาเหล่ า, านีจัดแจงสัานาคเสร็จกิงได้แค่ถามถนนในเมือง แล้วก็ยกธงขึ้นแล้วตั้งหม้อน้ําเต็มเปี่ยมทั้งต้นกล้วยหน้าประตูบ้านทั้งหลายก็เห็นไหมเวลาคนพระจะแต่งงานกันดีเขาใช้ต้นกล้วยอันนี้ก็ทําอย่างดีแล้วแค่ทางถนนด้วยนะทำเมืองทั้งสิ้นให้เกลื่อนกลลไปด้วยระเบียงโคมไฟเป็นอย่างว่าดวงดาวก็คือว่าทําโคมไฟติดอย่างกดวงดาวเลยว่าไม่เคย ก็สมัยก่อนก็คือไปเตียงไปกรเเจียง ไ, ไปอะไรเนี่ยนะไปที่ว่าทาํา้นไม้หยักต้นไม้หยักอะไรแต่ว่าทําอย่างนีอย่างทำเป็นโคงมันเหมือ น, นเหมือนถน น, นรถรางเนี่ยทำสวยงามมากในบอกเหมือนดวงดาวเลยหมดเลยเดรสอารามสวยแสงสว่างที่นี่ว่าแล้วให้กล่าประกาศไปว่าพวกทาลบที่ยังไม่อดนมจงให้ดื่มนมเสียง พวกเด็กรุ่นรุ่นจงรีบให้ไบโพกข้าวาอาหารแล้วให้นอนเสยแล้วก็อย่าได้ส่งเสียงอือกันขึ้นคึโ้โครมวันนี้พระบรมสาร า, าจะประทับพายุหมู่บ้านพื้นหนึ่งอันพระพูทธวิปัสสนาเจ้าทั้งหลายย่อมทรงพอพระทัยในความสงบเงียบเดิมดีแล้วก็าพากันถือบคบเพิ่ด้วยตนเองเข้าไปเป่าพูดพข้าวเจ้าอย่ที่ปรครับโูดคือคล้ายๆว่ามีคำสั่งลงไปเลยว่า เด็กไม่น้อยเลยนเด็กที่เกิดมใหม่หม่เด็กดังที่จะร้องเสียงดังๆทั้งหลายไม่ินโน่จะได้ไหมร้องเสียงจะเริ่มปวดหลวงพ่อเจ้าเด็กวัยรุ่นเีชอบได้ชอบอะไรตางต้องให้ไกินข้าวีวเมื่อวานนี้ถ้าเสร็จแล้วให้ให้คุณลาคุณยายเเข้านอนเียให้เรียับแต่วข้าเดี๋ยวจะทำเสียงงเสียงดังเิงากต่อพระพุทธเจ้าฟังแล้วแน่ใจนสมัยนั้นนะนปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะ ไม่ทำแบบนี้ได้ยังมาจุดภูในวัดเลยจุดเพื่อนเพื่อนที่ทำพระเ็อเพราะเลยมีงานตั้งเครื่องเสียงตั้งไว้บอลเนี้ยหันกระโรงต้ปฏิภาชนะทั้งคืนเลยไม่ได้หลับเลยที่จริงเนี่ยนะก็ชอบสงบใช่ไหแต่วิธีที่ของชาวบ้านที่ชอบไปก็ชอบจุดเร้่อยๆโคกเนี่ตรงนี้จริงๆมันแน่ะจ เอามาทำเป็นปะเกียนี่รุ่นปืนเป็นใหม่ใช่มคือทาวัาให้มันสมบอย่าทำว่าให้ป็นวิปริตเลยว่าเลยทำวัดใหเป็นวัด น, นีเปทนที่เข้ามาแล้วลื่นลงเดี๋ยวนี้แมวหมาพี่คงพี่การตัดประหลงประหลาดอยู่ในวัดเต็มหมดร้องระงมกระจองรองไงมีอยู่วัดถึงวันก่อกนนะตกเที่ยววันก่อนทานไว้ทุกนเข้าไป ยอหมาหัวยโหมหมาอดเยอะหร้อยประตโโหเยอะกว่า้าแล้วกนี้กินอาหารตาม้ไมกินตามปัหาดยวก็ดูโอ้พาต้เข้าวกินข้าวไอหมาข้าอะไรอย่างเงี้ไม่มีงานทาจิตคันสงเลยกินอกินกึ๊ึึ๊กกึเตบ วิ่งกันกรูดยอมก็ยังย ม, ม, ยามาไหว้ข้าการยอมนี่ที่จริงหมาเขาคิดออย่างนะมันจะโชว์ผลงานให้โด็นายมันดูมันแต่วมันมันก็อยู่ได้รอไม่ไดมันไม่รู้สื่อแล้วไม่ได้เป็นปัาเด็กเขาอยต่าห์ขข่มไม่เหมาะไม่เหมาะกับการเจริญของมัน ขั้นเสด็จไปแล้วประทรงร้างพระบาทเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงเลยเนี่ยเจ้บอกว่าลำดับนั้นก็ผู้มีประพาสคลองผ้าอันตรวาสกหือบาตรและจีวรเสด็จเป็นยังท้องพระโรงพร้อมด้วยพิสุทสงฆ์ขั้นเสด็จไปแล้วประร้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสาการพิปรปพรนประพาสไปการพิศะวันออกพาพิสุสทสงฆ์ปร้างเท้าแล้วก็เข้าสู่ท้องพระโรงนั่ง พิงฝาด้านทิศตวันตกพินหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่เบื้องพองระพิสดงของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนพระเจ้ามานละกรุงปาวางก็ล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงอุปถัมั์นั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกพินพระภาคไปทางด้านทิศตะวันตกอยู่เบื้อง พ, อง ร, ะพระพักของพระผู่มีพระภาพการหน้าเข้าหาพระาชเข้าหาพิสุท จากนั้นพระผู้มีประภาเจ้าบัดชี้แจงให้พวกเจ้ามันละกุงบาวะเห็นชัดชวนใจให้อย่ารับเอาไปปฏิบัติเราจะใจ้อาหารเกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเลยด้วยคำมีคาถาเกลือนตลอดทั้งคืนแล้วก็ส่งไปด้วยพระดำดักว่าพระเจ้าเทศนากาวมงคลนะจ๊ะกาวอะไรกันกาวเนี้ย ให้อาหารให้ล่าเริมให้บันเทิใจในทานกุศลสินกุศลภาวนากุศลเป็นก้นเหล่นีก็ประกอบโลรชักจูงใจเกิดความาหาห์หรือความแก้วกล้าให้มีจิตใจสดชื่นตลอดเกือบทั้งคืนเลยเหมือนนันนะทั้งมัทธรมามันฉิมหมายอย่างีเป็นก้นนั้นสมัยก่อนเขางธรรมกันมายความอดทนก็สูงันคือโครงสร้างของคนในยุคนั้นน่าจะน่าจะตั้งมั่นดีสังเกตได้ยากแม้แต่ยุคหลังๆเมื่อเป็นร้อยปีมาเนี้ย ถ้าราชามาจะตัดอง์หนึ่งเข้าไปยืนฟังธรรมตลอดทั้งคืนพระแสดงธรรมเมื่อตอนสว่างขึ้นมาช่งเย็นก็เล้ถามมาฮัวคิดมาตั้งแต่เมื่อไรหนึ่งแต่ตอนบัดลวม่ยานนะโมยืนอย่านี้วัดยืนได้เป็นตรอดพระพุทธเจ้าบอกว่าไตอนยืนฟังธรรมพระแสดงธรรมก็ยืนจะถึงปัจจุบันเมื่อจนข้าเห็นยืนหบได้ไหมหบเสาฟังฟังธรรม ไนเยอะหมเดยวเนี่ยตลอด้าสมคุเรื่องการศึกม่้สองสามครั้งกนไม่ได้อาารยาบอกว่าเสแสดงทำยงยังไม่จบเพียงไรต่ถามวก็จดดีบางอย่างแสดงให้เห็นชัดว er ่าคนในยุคก่อนเนี่ยนะบุญเขาีโครงสร้างเข้ดยงเราน้นงชั่วโมงเยนีขยับเป็นสิสิงแค่นี้แสดงให้เห็นชัดว่าโครงสร้างร่างกายของคนในยุคนี้ไม่ดีแค่นิดหน่อยก็มีมีปัญหา นี่องคิดดูอย่างนี้ว่าเขาลุป่ากัได้วันละสิบกกิโลเขาเดินกันได้ยอย่างสบายๆนวันละสิบกิโลเอาเนี่เราเนี่ยเดินวันละกิโลนั่น่าคิดเลยนเนี่ย้นายุานา้น่กกิโลเนี่ยน่าคิดยอาจจะไหวได้ไหมใหม่เนีขาถ้าเดินทุกวันล่ะักไม่เอเลยกิโลนี้ก็ะอันนี้คื ขณะอายุพระโอกระยาลรงมีว่าชนอายุแปดสิบเดินสิบกิโลอยู่นะวัสิบกกิโลเดินเป็นปกติเลยสิบหกกิโลมเดินมันได้คาสอนเลยเนี่ยคราที่เขาเดินกันไม่ย้งว่าเาเดินแบบประเเหมือนเดินตามวัวตามควายเลยเดินตามวัวตามควาก็เดินแบบว่าใจมัส่งอยู่วัววายย่หายไปที่ไหนเนี้ยบราณว่าเลยเดินของค้าเดินเส้นมีสติและสชัดเะ กำกับในการยืนเดินนั่งนอนใะ่ไหมถ้าอยู่ในอีาบทไหเชื่อว่าเป็นผู้ตึกเป็นใคำสอนองพุทเจ้าเนี่ยเป็นอย่างน้นะถ้าสมมติในละเรานั่งแล้วยืนอยู่แล้วนั่งอยู่แล้วนอนอยู่แล้วเดินอยู่ก็ดีเนี่ยชื่อวเป็นผู้หลับนะถ้ายืนเดินนั่งนอนด้วยเรื่จิตที่มีกิเลสแต่ถ้าสามารถที่จะกิเลสออกจากการยืนเดินนั่งนอนได้แม้แต่หลับอยู่ก็เที่ยวเป็นผู้ตึกื่นเป็นแบบนี้ฉันจะว่าพุทโธ แล้วก็ตื่นตื่นกันนั้นคือตื่นอย่างนี้เตื่นจากความหลับตื่นจากกิเลสเครื่องสมองนะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วก็กระตากอะไรแบบประเททที่ว่าตื่นโตรงนั่นเลยนะคือตื่นตื่นจากกิเลสเลยนะพูดโทรพูดไปพูดตื่นเนียผู้เบิกบานแปลว่าใจไม่มีกิเลสเป็นได้ทางพูดโทรันพูดโทงเป็นได้ ถ้าพุทโธก็คือว่ายืนกด็ดีนั่งกด็ดีนอนก็ดีโดยไม่มีกิเลสเครืค่องเศ้ามองรอบกวนจิตใจนั่นถือเป็นผู้ติ่นแต่ถ้าหาวีกิเลสนะ่ยืนด้วยโลภะโทสะโมหัน น, นั่งยืนนอนไป่ต้อยด้วยโลภะโทสะโมหะถึงแม้ตื่นอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้หลักไหลเพราะมีกิเลสเป็นเครืค่องเศ้ามองใจรบกวนจิตใจ ทงทั้งๆี่ชี้บอกไวปทำตรงนั้นหน่อยทำตรงนี้หน่อยมันกาลังบอกด้วยจิตใจที่เป็นโทต่างเนี่ยเชื่อเป็นผู้เราเนี่ยพระพุทเจ้าก็ต อ, อบฉลองใจให้สดชื่นล่าเลยได้ทํามีคาถาตลอดเกิดคื อ, คอแล้วส่งไปด้วยพระดำรักว่าวาเศษถาทั้งหลายราปีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายชมําหนักเวลาที่สมควรนัก บ, บัดนี้เถิดถ้าพระพุทธเจ้า บ, บอกอย่างนี้แปลว่า พระพุเจ hey. ้าบอกอย่างนี้แปลว่าอะไรดมบอกว่าราตรีผ in ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกําหนดเวลาสมควรนะแบบนี้เถแปลว่าพูดอย่างเราเราแปลว่านานแล้วท่านกลับเล้ครับใช่ไหมคำพูดเราเราจะเจพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยบอกว่าสายชาทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาสมควรนะแบบนี้ถ้าเราฟังบาทีแทบไม่เข้าใจเลยนะภาษาแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่า พินาทแล้วกลับได้แล้วเนี่ยอันนี้เข้าใจพวกเจ้ามาลราคุงบาวาทูลรับสนองพระดำรับแล้วเนี่ยทรงพาการุกขึ้นจากที่ประทับแล้วก็ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคจะประทําประทักศีลแล้วปร ะ, สะเสดจจากปั่นตรงนี้เราไปขยานเลยนะบอกว่าคําว่าทักษวันตังเย ว, ว, วะภูรคิทธวาเขาแปลว่าการทำแล้วผู้มีพระภาคไว้เงินน ะ, ะประทําได้ยัง ถ้าทำพระภูมิเยาภาคเจ้าไว้เบื้องหน้าคำว่าทำพระภูมียาภาคไว้เบื้องหน้าก็หมายความว่าอันหน้าไปทางพระภูมิเยาภาคเอาพระภูมีเยาภาคเจ้าไว้เบื้องหน้าอันนั้นหมายความว่าทางด้านรูปประกาศของพระเจ้าไม่อยู่เบื้องหน้าแต่ถ้านณบัดนี้พระภูมิเยาภาคเจ้าไม่อยู่ก็จงทำพระภูมียาภาคให้อยู่ในเบื้องหน้า จะได้เวลาเราจะทำบาปมันจะได้ไม่จา้าบใช่ไหมมีรู้มีภาพเป็นเพื่นะพาผู้เดินองค์ศพเจ้เราแน่อย่างนี้เป็นก็อเมริกาสมัยก่อนนี่นะเจ้าเวาลาจะคิดอุปสมนาคทำกันเ ร, ษษษรางมงเนี่ยกลัวมากว่าพระผู้เจ้ารูเา้เราอย่างปัจจุบันพระเจ้าไปนิพพานไปแล้วใครรู้ เ, าเราเทวดาหรือพระพาลัาน พระอริยบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในสาคลจตวรรานรานูเ้เเขารู้วาิิจิตของเราอย่างมีกจินเวลาจะโกขึ้นมาเลยคิ ด, ดว่า้อนไม่อยากดดเย ก, กเลยมีคนเขารู้เราด้ยคิด่อนีไม่ต้องคิดด้วยพ <c oughs> อคิดพบเดี่ยวจะไม่กล้าเลยพผู้มีพระภาประทับหน้าบนท่ามกลางมิสุสงและกอบาสดวาสิกาทั้งหลายในสังฆาทานนะั้น ย่อมไทโรที่งนะเป็นที่ตั้งมีความเรื่องใสเลยรอบมีพระโชดิวันเพียงทองงดงามน่าชมา อ, อ่อเวลาคนไปเป้าพระพุทธเจ้ากันเนี่ยคือท้ารูปอื่นเนี่ยคนแทบไม่มองเลยเขาอมองไปนนยิงไหมแต่ว่าสายตาเขาคู่กันจ้องไของพระพุทธเจ้าเป็นจุดศูนย์รวมเลยเพราะ ง, งามมากคือผิวก็เหมือนทองคา ใช่ไมเยเราไปนั no, uh, oh ่งอยู่หน้าพระพุทธชินราชอานนั้นยังไงล่ะันนั่นยิ่งๆกว่าพระพุทธชินราชงดงามน่าชมดูตรงไหนก็งามบางคนที่ไม่มีพื้นฐานการด้านคาสอนดีๆก็ติดอยู่กับพระรูปอยู่่หงามจริงๆก็เหมือนว่าเหมือนสองตาใหญ่นที่ว่าพอใหน่พบแล้วนึกถึงลูกชายนึกถึงลูกสาวโอ้โหคนงามแบเนี้ ลูกสาเราต้องพ้นถวัลยต้องพ้นยกไหมอันนี้คือคนไม่มีข้อมูลทีแรกไม่มีข้อมูลว่า น, นี่คือพระพุทธเจ้าแต่ถ้าระดับคนที่มีข้อมูลทั้งหลายท่านจะตื่านพิจารณาถึงที่กรรมบุญของกรรมเป็นต้นพวกท่านคนนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ถามนะคือความงดงามดังทองงดงามน่าชม อ, อย่างนี้เพราะมาจากคุณสมรรษกรรมที่บ่งท่องมาเสียสมขายยิ่งด้วยแสงครับในสังสารวัตรที่อ่านมาเนี่ยท่าน เจริญสิ่สมาธิปัญญาหรือเจริญเกี่ยวกับในเรื่องของทานบรารมีเป็นก็เลยท่านท่านมีวัดงามพราะ น, นั่งสมีอ่ยพันเพียงดังทองโผพวผู้หมอ ก, กับพระกายเบื้องหน้าแผ่ไปถึงแปดสิบสอง่างคิดดูแล้วสมีไม่ใช่ออกแพ่วาเดินเนี่ยถ้านในยามวารรัชทิพย์องค์เข้าสมาบัติใช่ไหม เวลาเข้าสมาบัติเนี่ยกําลังของสมาบัติกาลังของจิตเนี่ยที่ประกอบเป็นปีติประกอบเป็นสมมานะ้น่ารุนแรงเนี่ยไม่ต้องอะไรเราเรายังลองดั้านองกระดับถ้าจิตเราเป็นสมมานั้เป็นมหาวุฒิเนี่ยในร่างกายเราบิตรมันก็ขนลุกเรื่อยอ่ะมันปีติเกิดน้าหูน้ำตาไหลก็มีเลยใช่ไหมสดชื่นเนี่ยอันนี้ขนาดกาลังสมาธิที่เพอะเอาแค่ห้านาทีหกนาทียังขนาดเนี่ย อันนี้กับราสมาที่ที่บ่งพ่อมาทั้งเสียสงไผ่แล้วเวลากับลาสงสมาบัติของพระพุทธเจ้าเวลาเข้าสมาบัติฉะนั้นน่ะรักเท่นี้เนี่ยนะควรพูดมาแต่เพราะวาระายเนี่ยไปที่เบื้องหน้าในขแปดสิบสองอันนี้ฉนั้นเวลาศึกษาพุงรุพระพุทธเจ้าอย่าไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาถ้าไปศึกษาอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระรามีพลเหียงเตรียมดังทองนี่เนี่ยพลุพุ่งออกจากพายเบื้องบนคือเบื้องหน้ามีแปสิบสอแลเบื้องบนก็แปสิบสองพี่หญงกาลังน้อมสมาธิเป็นพระพราชนิย์อ่ะพันเหรียดังทองเนือ้อพลุ่งจกพระตายท่ามกลางจากพระหัเบื้องขวาจากพระหัเบื้องซ้ายก็แข่ไปได้ข้างละแปดสิบสองุจกันพระราชนิยมีพันเรีงเรียงสร้อย คอมเออส้อยคอมายุรลาวนั่นเนี่ยปวยพุ่งออกจากกลุ่มพระเกตาทั้งหมดตั้งแต่ริมพระเกตาเบื้องบนแผ่ไปพึ้น้าพากาศแปดติดสองอีกอย่างหนึ่งก็คือจากฝ่าพระบาทเบื้องใต้แผ่ไปในในแผ่นดินทึกลงไปแปดติดสองลงด้านล่างลัคมีนี้นะทีนี้ฉับพันในลังสีหกประการปวยพุ่ง รุ่เรืองพลังคราวตลอดที่ประมาณแปดสิบสองในรอบที่ประการหนึ่งนี่ยเราก็ไปพิจารณาดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพระรัตนีของพระโรมัสซาดาเนี่ยเป็นรอบฉะนั้นเนี่ยถ้าหาพระพุทธเจ้าปร ะ, จะออทับนั่งแต่การที่จะแผ่ออกอย่างเนี้ยเป็นบางครั้งบางเวลาในยามที่พระองค์อยู่ในสมาบัติและกําลังล้มสมาบัติที่มันเกิดขึ้นด้นวยปฐมฌานลึกฌานตื้นฌานเจตุธฌานเนีเ่ยนะ ที่มันเกิดพ้อมเลยพิโตวิยาปีติเป็นปีติสุกระเบียตัวที่เป็นตัวขับขับลัทธินีทองรวยฟุ้งออกมาสัมพพะที่สามผ้าเขากระจ่างแจ้งดังว่าโรยปลาไปด้วยดอกจำปลาทองปะหนึ่งโรยรถด้วยสุวรรณนะรถไหลจากหม้อทองปานว่าจารดดาไปด้วยแ่งทองและประดุจว่าเกลื่อนกลืนไปด้วย ผมดอกหองกราวแล้วมาดอกการีการพุ่งตะดดด้วยเวรำพว่าทวกด้วยข้าข้าดูอย่างนี้นะวาาา่าพรการของผู้ยิ่ารุ่งเรยงเรื่องรุ่งเรืนอนทีน่าแปลกประการเอาคิดดูว่าคนที่อยู่นาทีนูงนะใช่ไหมทั้ง้าทั้งโยมนะถ้าจะกำหนดใจไว้ไม่อยู่ใช่ไหมก็เห็นอย่างนั้นนะปรจันมากมากนั้นะ กรณีที่จะแกล้มกาไอหรอือจะละสายตาไปทางอื่นเนี่ยไม่ดีเอาว่ายุ่งกลับแล้วไม่ไม่ต้อง ห, หันไปตกไปไล่ละใจก็พุ่งก็ไม่หาพระพุทธมีพ่าเจ้าคณะสมินโดยปกติตระมาณวาหนึ่งเนี่ยอันนี้หมายความว่า ว, า, วารสามสองประการก็ไขโรออันนั้นเป็นปกติเท่าวานึ่งอันนี้เป็นว่าออก ด้วยดวงดาวกระหนึ่งว่าดอกปรผสมมันบางกระท่านเหมือนดอกประดิษฐ์ร้อยโยอดกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่ามีรัศมีออกแม้พิสูจน์ทั้งขี้ทั้งเส้นที่นั่งแวดล้อมอยู่นั้นก็ล้วนเป็นผู้มั่นน้อยสันโดษสงบไม่พลุกพล่านทําความเพียรเป็นผู้บอกทนตอบคําบอกเป็นผู้เตือนตีเตียนบาปสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปยาวิมุติแล้วก็วิมุติยานะพัฒนาลง แต่จริงๆกับาก็เป็นคนมากน้อยฉันโดดสงบให้พุกผ้าไม่พุกผ้าเนี่ยแปลว่าท่านสงบอุทจารวิธีฉาเป็นต้นได้แล้วทำความเพียนเป็นผู้บอกได้แล้วก็ทนต่อคําบอกเวลาเวลาจะบอกจะกล่าวใครก็ทนเหรือถูกใครบอกกล่าวก็เป็นผู้เลือนติดเพียนบาปอันนี้ว่า ว, นนวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเวลา เราเนี lei, palette, være, bas, Freud, juego, ่ยเราเนี u, ่ชังบาปหรือเปลี่ยนบาปติดเตียนบาปหรือหรือหรือเราชื่นชมบาปสังเกตเวลาเราเข้าไปในห้างเราไปเจอผ้าสวยๆใช่ไหมแล้วเวลาปิดเราล้วเกิดชอบเลยแล้วติดเตียนความรู้สึกที่เป็นชอบไป็นยินดีหรือว่าชื่นชมเอาไปเห็นของเก่าๆเนี่ยมีราคาเครื่องลายคราบสมมติบอกนายว่าราคายกไหนก็ว่า มันก่อนมีพระท่านเอาอรรยาพุทธโลกสมัยรอยาเอามาติถ้ามีชิตก็อยู่ที่ซึ่งเข้ามาพอเข้ามาดีเขาบอกว่าเขาชอบมาเขาก็เลยไหว้ยาถ้าไหว้ยาจะไหวบูชาไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดจะให้ไครนะ ใครคิดถึงเขาไปคนละเ <c oughs> <c oughs> ข้าไม่ได้ขออนะไรเขาหมายความบอกว่าแล้วารใหญ่จะเจ้าเูา้าแต่ถ้าอยากเตรตยมตลาดอะไรเนี่ยขอให้เป็เนของเราคนหนึ่งหน้าปั๊แตที่เหนือแป้นนี้มันเป็นสัญลักษในการจับเพื่อนในการเต <c oughs> ็ม อยายุหลายร้อยสี่สนแล้วแปลนีน้มีราคาเนีน้ยเดี๋ยแต่ใจไม่ได้ใจ น, น, นะถงเลยนะฮ่าฮ่่าฮ่าต่ก่้จริงก็ไม่ได้จ ทีนีก็พิสูุก็แวดล้อมเนี่ยเป็นผู้มากน้อยสั่นตัวที่ตีเทียนบาปคำว่าตีเตียนบาปก็แปลว่าเวลาบาปจะเกิดขึน้นหรือว่าเป็นผู้ตีเทียนได้ว่าไม่ว่าทำบาปนี้ไม่ดีด้วยประการใดตา่างๆไม่ชอบไม่สมาคมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็คนบาปทั้งหลายว่าเมื่อติเทียนบาปตีเตียนคนทำบาปด้วยอะไรต่างๆคำว่าตีเตียนในที่นี้ไม่ใช่ด่าหมายความว่าไม่ไม่อยากเข้ากัน ไม่อยากให้บาปนั้นเข้ามาหาเราเข้ามาในบ้านคือไหนถึงขันเข า, าตเนเองนี่ก็เลยติดเทียนบาปเพระาะติดเทียนบาปพระสมุนในสิ้นสมาธิปัญญาวิมุติวิจิตรญาณและพะปัญญานั้นคือพระเจดีย์วัดของพระเหล่านั้นก็เป็นผู้น่าเรสคยญถ้าผู้มีพระภาคอังาสาวภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วต้องคิดดูว่าพระผู้ได้เจ้าพระสมุนแล้วก็แวดล้อมด้ยวยพระเหล่านี้ ไม่มีผ้ารามกสะอมเลยว่าแม้ น, นึงมีแต่ผ้ามากน้อยสันโดษไทโรต์ประหนึ่งท่อนทองเัินห่อหุ้มด้วยผ้ากำปันแดงประดุจเรือนทองอันลอยลำอยู่ในถ้ำกลารปร ง, ง, งประทุมแดงเหมือนปราสาททองอันล้อมรอบด้วยเวทีแก้วประการชะนั้นก็ลองคีดดูของที่งามที่สุดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีของที่งามลดหลั่นลงมาแวดล้อมการระดับไปดที่อย่างนึ่งก็เหมือนว่าเหมือนดวงจันทร์ ก็สว่างอยูเพียงพอแล้วก็ยังมุยหมู่ดาวที่สวยอะไรท่ระยับเนี่ยลายล้อมเราคิดอยู่ว่าคือดาวก็งามดวงจันทร์ก็งามแล้วพวกดวงจันทรางามนีถ้าอุบมาแล้วเหมือนดวงจันทร์พิกสู่สงฆ์ที่เพียบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมลมุติยานะทัศนาเวนต์็มนกับดวดาวทั้งทประกายแสงอะไรที่ประยับก็เลยไ็้เพร่มเพิ่มให้ดวงจันทร์นั้นงามเด็ด ยิ่งงามยี่งขึ้นะะ น, น, นี่เป็นไปลักษณะนี้ปราตาขึ้มือนกันใช่ไหปราสาทองน่ยถ้าลายล้อมรอบด้วยเวทีที่อัปการก็ยิ่งงามฝ่ายอสีติมหาเทระทรงท่งาบางสกุลสีปานเมตเป็นมหาหน้าตามว่าจอมปวดแก้วมันคืออสิติมหาเทระคือมหาป้อมมหาเทระทีะ่เป็นอสีติอสิตินี้มีมารใายสุรขทั เป็นผู้เป็นพระเทวะผู้ใหญ่ผมผ้าตอนตะกนสีเหมือนเมฆเนี่ยนั่นสีของเมฆเนี่ยนักก็ไปดูกันนรียกพระในสมัยก่อ น, อนอพพดีไหมท่านคล้องผ้าเยวรสีอะไรเมฆสีอะไเขาบอกเมฆตอนที่จะขึ้นอจากท้องไปตอนที่บ้านที่จะขึ้นจากท้อ ง, องฟ้าใหม่ๆมันจะออกสีแดงๆทองๆแดงๆจะออกลักษณะนี้นนั่นพระของเยวรสีนั้นเอง ฟันว่าจอบปลวกแก้วมันีลายราคาแล้วทําลายกิเลสสิ้นแล้วถามชัดออกหมดแล้วตากเครื่องผูกได้แล้วไม่ติดข้องในตกปูหรือในหมู่คณะก็นั่งแวกล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ลองคิดดูว่าตากสิทธิ์หมาสาวกง่เนี่นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยถ้าเหล่านั้นรู้จะทําลายกิเลสทําลายราคาตัวสาวโมหะได้สิ้นหมดแล้วไม่ติดข้องในตะปูหรือในหมู่คณะ ล่าอาหารทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ติดข้องใครเลยคือถ้าท่านจะไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรเอวอนเนี่ยถ้าไปแล้วอย่าเดินกลับไม่เยี่ยมกันใหม่นะไม่มีเลยอะคือถ้าเดินหน้าแล้วก็ตักอะไรในขณะรุ้กลัวไหด้วยประการดังกล่าวนีพระพู่มีวาพัฒน์รงบัมราษจากราคะด้วยพระองค์เองอันท่านผู้บัมราษจากราคะแหวนก็หมายความบอกว่า พระพุทธเจ้าเป็นปราศจากราชานะและก็มีคนที่ปราศจากราชาแวดล้อมพระพุทธเจ้าปราศจากโทสะด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ที่แวดล้อมไปด้วยผู้ปราศจากโทสะแล้วก็ทรงความราบจากโมหะด้วยพระองค์เองอันท่านผู้บาราชผู้ปราศจากโมหะแวดล้อมผู้ทรงไร้ตัณหาด้วยพระองค์เองอันท่านผู้ไร้ตัณหาแวดล้อมผู้ทรงไร้กิเลสด้วยพระองค์เองอันท่านผู้ไร้กิเลสแวดล้อมผู้ทรงเป็นผู้ พุทธะเจ้าเองอันท่านพุทธะผู้เป็นพ่อหลวงสูตรแฝงร้องเลยต้องคิดดูว่าผู้พุทธเจ้าไม่มีตระหนักและต้องมีคนที่ไม่มีต่อจากราหนักแฝงร้องอยู่ไหมพู้พุทธเจ้าไม่มีโทสะและคนที่แวฝงร้องพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นคนปราศจากโทสะผูพุทธเจ้าไม่มีโมหะคนที่แวฝงร้องพุทธเจ้าก็ไม่มีโมหะคนผู้พุทธเจ้าไม่มีตัณหาคือขจัดตัณหาด้ยตนเองยและก็มีคนที่ไม่มีตัณหาแฝงร้อง พระเจ้าทาใจกิเลสด้วยตนเองแล้วคนที่ไม่มีกิเลสก็แหวนล้อมเพราะพระพุทธเจ้าก็คือว่าเป็นผู้เป็นพุทธะด้วยพระ อ, องค์เอ ง, เองเนะแล้วก็มีกลุ่มพุทธะแว่นล้อมพระพุทธเจ้าเป็นไรสมมาสมพุทธะมีสาวากพุทธะแว่นล้อมมีสุตต า, า, าพุทธะแห่นล้อมเว้นปัจเจกพุทธเพราะในสมัยที่พระพุทธเจ้าบัดเกิดขึ้นพระปัจเจกพระพุทธจะไม่มีปัจจุบันเกสอ น, อนันแว่นล้อมไปด้วยกลี ปัจหนงการนิกายแวดล้อมไปด้วยเกสอนเหมือนพญ า, าช้างฉัตทันอันแวดล้อมไปด้วยช้างบริวารทั้งแปดทันช้างฉัตทันถ้าเป็นพญาเนี่ยนะเป็นหัวนหน้าึิจาร์โขเนี่ยจะมีบริว า, าแรแปดทันแวดเข้าถึงตัวยากมากช้างฉัตทนไม่มีใครเข้าถึงตัวไดว้ก็ขนาดที่ว่านายชางที่ยังไม่ด่าเยอะเข้าถึงไมนะ่ได้เพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย ช้างแปดพันเชื่อกัยอมตายลงคนมีบุงน้องลักขนาดนี้คือคนมีบุญใช่ไหมใครมีนุ่มน้องคือแปพันเลยลุ่มน้องลักขนาดนี้น่าชื่นใจดูวถ้าเราไปเป็นอะไรพวกนี้ไปเชิญหน้าเหนือนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราไปปิดบริษัทอะมันจะถูกยเหนื <c oughs> <c oughs> นอว่าเตีวิ่งเดือดร้อนอะไรกันตีละ้าใหญ่โตอะไรวั หาผ้าเช็ดหน้ากันเชดกันไม่รักเราใช่ไหเมันเป็นยังไคนมีกิเลสถ้ามีมีคนมีกิเลสแย่รอมีหวาเสียวหวาเสืยทุกคนเลยเอาอะไรับใหญ่โตขนาดไหนอ่แล้วคนทีอยู่ข้างหน้ามีกิเลสอันนั้นมีนมคิดเรายังไงใช่หเสวานึ่งเด้อร้องมาหาพวกไม่ได้เลย่นอบอกว่าถ้าตัว ถ้าไปอยู่เ <hepat> น <Pop personalities> ียวแม่บวงวุ่นุ่มีกิเลสไงนะเช่นเราก็มีราคะเราก็มีเราก็มีราคะก็มีคนมีราคะแวดล้อมเราก็มีโทสะแล้วคนแวดล้อมเราก็มีโทสะเราก็มีโมหะคนแวดล้อมเราก็มีโมหะเราก็มีตัณหาคนแวดล้อมเราก็มีตัณหาเราก็มีกิเลสคนแวดล้อมเราก็มีกิเลสถามมีความสุขไม่มีใช่ไหมข้าหากว่าเขาเรียกว่าประโยชน์พว่าถ้าคนมีกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าประโยชน์ถ้าลงตัวกันได้อยู่นะ ก็หมายความว่าถ้ามีสิ่งที่จะเอื้อเงินกับกิเลสที่สมดุลกับเป็นที่พอใจให้เขาได้ยกตัวอย่างใช่ว่าถ้าเขาเราให้เขาตัดสมมุติเดือนหนึ่งเราให้เขาห้าพันเขาตอนเขาพอใจขึ้นเนีิยตัญหาเขาก็าพอใจเขาอยู่เขายังไม่ทำลายเราแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขารับห้าพันอยู่จนเขาไอ้กิเลสเขาชักไม่อยู่กับห้าพันแล้วก็จะเป็นเบโลปังแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเลือแล้ว แต่ถ mm ้าเราอยากให้ร si ักเขารักเราเราเพิ่มไหมเขาอีกเขาหมกฝันอีกค้าจะเลิกรักเรานม่ก็มีคนนี้คนที่มีดีแล้วก็มีคนที่มีดีเล็กด้วยมันก็เป็นแบบนี้งันในขณะที่คนที่มีอำนาจวาสนาอยู่สูงทั้งหลายก็คนนึงแวดล้อมเป็นผู้ที่มีดีเล็กทั้งหลายก็จะต้องอาศัยสิ่งหนึ่เป็นเป็นจุดถ้าผลประโยชน์พอเป็นมากันได้เลยก็คงจะรักใครกัน แต่ถ้ผลประโยชน์คืหมายความว่ากิเลสเนี่ยถ้า ต, ตัวราคาตัวโทสะตัวโมหะมันได้พี่ไม่น่าชอบใจเมื่อไหร่ก็ัดเยดีแล้วก็เอาแล้วแต่ขุดคุยเราทําแทบตายเราเราช่วยมาขนาดไหนไม่เห็นประโยช น, น์กน็อ้างพละนามฉะน้นพระพุทธเจ้าจึงไม่อยู่กับคนที่ดีจึงจึงไปอยู่กับคนที่หมดกิเลสให้ไปอยู่กับคนหมดกิเลสเนี่ยเขลาขลักตนลักแบบ แบบจิตที wow. like like like like life, ่ดีจิตที่เป็นบุญจริงๆไม่ใช่ละละแบบมีปัญญาใช่ไหมรักจะมีปัญญาพระนักนตรีาะมีปัญญาพระเจ้าจริงชื่นใจมากมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนที่พระเจ้าไปอยู่ในกลุ่มท้ายนีเลยแล้วเสือท้ายทะเลาะกันแล้วพระเจ้าก็เลยห้ามเขาไปห้ามบอกบอกว่าพุกขอให้พระองค์กบบฝ่ายน้อยเรื่องนี้ยข้าพระองค์จัดกากันเลย คือกพเจ้าอย่าไปยุ่งพระเจ้าจนต้อ ง, งหนีนะหนีไปอยู่ป่าอะไรกันอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าถ้าค น, นมีอิเลยพระพเจ้าวแวดล้อมแต่ค น, นมีแต่พระเจ้าจะไม่ไดเจ้ไม่นะะจะไม่ไ้เพราะว่าอยู่แล้วไม่ลาคนไม่โย์ไม่ลงก็ในที่สุดจริงเขต้องใช้ผู้บายในการหนีในที่สุดจริงก็ชาวบ้านก็เห็น โอ้ท่นานพระเหล่านี้ทําให้พระเจา้าทรงก็เลยลงโทษโดยการไม่เซ็ตใหม่ๆก็ยังคือมีอยู่พอเริ่ไม่มีอะไรจะกินเริ่มมันน่าพอในสุดจริงๆก็ก็อปองกบมี เ, เหมือนกับพระเจ้าจารพาัฒน์แว บ, บล้อมไปได้เหล่าเสนาขนังนี้ก่อนถ้าเป็นพระเจ้าจารพาัฒก็ดีอยู่อย่างไหมถ้าเป็นพระเจ้าจารพัฒไม่ใช่จารพัฒสมัย ญี่ปุ่นเรื่องสมัยอะไรไม่ใช่เ ร, เ, รเรื่องนี้นะเขาก็เรียกจักรพรรดิกันแต่จักรพรรดิอย่างี่ไม่ใช่จักรพรรดิจริงถ้จาจักรพรรดิจริงแล้วจะมีปรีนายกแก้วซึ่งเป็นลูกชายวนโตเนี่ยคือเป็นคนมีอิทธิพลถ้าเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิก็คิดอะไรได้ยังและจะไม่มีความขัดแย้งเม้อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นนมีส่แต่ถ้าไม่ใช่จักรพรรดิจริงเนี่ยขัดแย้งถ้าจักรพรรดิจริ ง, ร go, งรีปกครองโลกทั้งโลกยุคนี้ไม่มี มือนเท้าตก่าเอเวราทีแวดล้อมไปด้วยเหล่าทวยเทพตามว่าฮาลิตะมหาตะมหาโคมันแวดล้อมไปด้วยคณะกรรมาธิได้ประทับนั่งในท่านกลางบริษัทเหล่านั้นด้วยพุทธเทพอันหาที่เสมือเหมือนที่นด้ด้วยพุทธคะเราะอันหาประมาณนี้ได้ทรงยางเจ้ามัลละแห่นงนครปาวาให้เห็นแจ้งนะด้วยคำมีคาถาตลอดราปีอันมากแล้วก็ส่งปากก็รื้ให้กลับ และในที่เนี่ยพื้นทราบอกว่าตะกินอากาศคาถาอันประกอบด้วยคำอนุโมทนาในสัญถาคามจะชื่อว่ า, รราคามักคาถานะ่ยสาวุ้งจกเจ้าเทศนาลายว่าตัดตะกินาาอากะกคาถาอนนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่แกแเจ้าอนละแห่งนครปาวาป็นหนว่ายงอากาศสงขาให้รำเหมือนว่าทรงรวบรวมมาซึ่งโอชาแห่งใบทุีตามว่าทรงจับยอด การมาหาชมพูแล้วก็สั่งวันไว้อยู่ประดุษว่าทรงคั้นหลวงพึ่งคันควรแก่การคั้นด้วยเครื่องจักรแล้วก็ยำบุคคลที่ดึกดึกให้หวังชก็คือพระเจ้าสแสดงคำเนี่ยเนะมื่อแสดงแล้นความรู้สึกของเจ้ามันละไปยังไงเหมือนคิดเหมือนได้กินน้ำนนนํำพึ่งหวานเหมือนหนุ่มบุคคลเอาวยน้ํำพึ่งมาแล้วก็มาคั้นใช้เครื่องคั้นอย่างนี้เลยแล้วดึงรถน้ำพึ่ง คนฟังทำหรอกว่าพระพุทธเจ้าในยุก น, นั้นเป็นยังไ ง, งพอฟังฟังแล้วก็ราะแล้วด่านั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อเจ้าบรรลักษณ์ปงปาวาจากไปแล้วไม่นานก็เหลียวดูหมู่พิสุสงฆ์ซึ่งนั่งนี่อยู่แล้วกระร้าดั่งกระท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรพิสุสงฆ์ปราศจากศีนะวิทะสารีบุตรจงสแสดงธรรมมีาาคาถาแก่พิสุทั้งหลายเราเมื่อหลังเราจับขอข้าวขนมา พระเจ้าพระเจ้าแสดงคำให้กับภิกษุสงฆ์ืต่ถ้าอย่างเราใช่ไหมสมมติว่าพระพุทธเจ้าแสดงคำเบแล้วหมดเรื่องดีแล้วจะได้กลับภาพัใช่ไหมในความรู้สึกของเรายังไหมถ้าสมมติเราไปนั่งฟังแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อไปให้ท่านภาษาลิบุตรแสดงทาไมพระพุทธเจ้าพูดใช่ไหมพระพุทธเจ้ากำหนดนะ กำลอดดูวารไรจิตของพิกุูทุกรูปทุกรูปไม่มีใครมีถีน่ามิท่าเลยคือไม่มีอาการหดหู่ดหอยไม่มีอาการง่วงเหงาเนาะเพราะพระเรานั้นเป็นพระอริยะต้องจักถีแล้วมิท่าได้หมดแล้วทีนี้ก็สามให้ภาษารีบุตรแสดงธรรมหลวงรเมศริเจ้าอบอกว่ารเราเมือเ่อไรจะพักก่อนจากนั้นก็ภูเมวพระเจ้ากรับจำให้ภูภาแล้วนั่งติดซ้อนติชั้น ทรงสำเร็จสีห่าใสยาโดยอาการเปืกอนเขาเปื้เบื้องขวาเนี่ยทรงซ้อนว่าบาเหลือว่าบาปมีสติสัมปชัญญะทรงกําหนดว่าไทยหมายจะรู้กันเาบอกว่าทรงเหลียวดูชิดใจใจหมู่พิสุนีทีงนั่นก็นั่งสงบทีเดียวคําว่าตัวนี้ภู้ตางตัวนี้ภูตามเนี่ยโอ้าเหานี้นั่งสงบเนี่ยคือหันไปทางไหนก็นั่งสงบนิ่หันไปไหนก็นั่งสงบนิ่งเลยมั้ย ไม่มีอาการเลอกแรกเลยเพื้อท้าเวลานั่งอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเสียงกระแอมกระไอก็ไม่มีเสียงกระแอมกระไอก็จะขยอยขยีคันตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มี น, นั่งเขายาเลยเท่านี้นนนนนนนว่าทรงกาหนดตริยาบท ภายนอกของพิสูจเหล่านั้นด้วยมังสะจากสุขถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงบอกรู้ได้ด้วยตาธรรมดาเนี่ยดูไปก็รู้เลยว่านั่งนี่นอ่งโน่นนะด้วยมังสะจากสุขก็คือด้วยตาภายนอกแล้วเมื่นนอกําหนดด้วยตาภายานอกเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าดูตาภายในเนี่ยฉะนั้นในหมู่พิสูจน์สองเหล่านี้ไม่ได้มีพิสูจน์ขนองมือขนองเ ท, ท, ท้าแม้สักรูปเลยว่านะั้นไม่มีรูปไหนเยี่นศีรษะพูดจาหรือนั่งหลับไม่มีเลย ไม่มีว่าใครพรยเจ้าค้าอยู่กันห0าร้อโล่ใช่ไหมวันก่อนเนี่ยไปที่วัดตาวัดประชุมกัน 800-900 โอ้โหเสียงแซงมาไม่นิ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ดูแล้วขนาดไม่นิ่งไงยอมที่เป็นทหารเป็นทหารในตุเกีของพระราชามาบรรยาย อยู่ในกองงานของพระาชนีพระราชนีส่งไปอยู่ภาคใต้นะลงไปเรื่อยก็ลงไปอยู่หกปีกว่างแล้วที่ก็กลับมาคนมาก็มาเล่าเหตุการณ์เอามาจ่ายวีรทัตยังการให้างภาพต่างๆเพราะ้าตอนนี้ได้ได้สวายตั้งแต่พระราชนีแล้วท่านบอกว่าตอนที่ตอนที่ลงไปภาคใต้เลยใหม่ก็กลวัวไหมเข้าไปเจอน้องผูกก็เ ข, ข้าไปกล่าว ที่นู่นไม่มีท่าเลยบอกแมาที่นี่เป็นท่านนเางเี้ย่ยเป็นบุญจางเงี้ยนรืรเนที่นู่ น, นวัดองค์ขององค์เนี้ยนี่ไปเจอหลวงปู่แก่ๆองค์นึงก็ไปกราบหลวงปู่มีหลวงปูปป่ทวดรุ่นเก่าๆ <c oughs> ใช่ไหมรุ่นสมัยเก่าๆมีพระองค์หลวงปู่ก็ถามว่คุณโยมเป็นทหารเนี่ยข้าพเป็นทหารเป็นในพันเป็นสีรักว โยมเป็นทหารทีอยู่แล้วอาตมาทาบตอนนี้ไปที่ไหนยังต้องพกกหารเยหลงไปตัวช่วยเเปทหารดีอยู่แต่เวลาจะไปไหนต้องหารร่มกันยม่ีลนบากกองทหารไปไหนมาไหนก็ต้องทหารร่มการปกเป็นทหารดีอยู่แล้วอาตมางกต้องพหันที่มาละยาหลังเนี่ย าหารไปขี่รถทำพีรตเอ่ะมันก็ระเบิดซุบถนนทหารยิงงูทหานตายเึ็นเบือเลยทหารอยู่ที่ไหนมันยิงมันฆ่าทนารทหารตายทหารกันสองอาทิตย์ก็แล้วนายก็ลงไปอยู่เป็นยานรถเตายังอยู่ก็เข้าไปถามกูเดี๋ยวนี้ยังพกทหารอยู่ไหคุณไม่รู้จะพูดไงก็พูดให้ใครเครียดต้อนกูไม่เอานะกูบอกไปโอ้โหเดี๋ยวโยกันรอด สบายก็น่าหานเสียมโยนใส่องง์เดมีโยกใส่รอบฝั่งขวามังไม่เอาลยอนี้ตมนนี้ยงไม่จยุ่งแต่อนนีนี้คนตีทองขาวเข้ามาด้วยเข้าสกเข้าพระคุณเจ้าเข้าพระสามว่าพระคุณเจ้ารูปไหนนะครับคิดว่าตนเองไม่มีโอกาสเป็นเจ้าวา ถ้าอยากจะเป็นจ้าว่าจนะค้ับไปก็ผมมาคิดหน้าเนี่ยไปปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้แต่งตั้งเลยนะครับนนี้ก็คิดว่าถ้ า, าเคยนเจ้าแล้วอาจารย์กะนั่งอยู่ข้างหน้าเมอสักกีอาจารย์ไปวเดินนั่งตรนั้นมืสกกีาย์ไปไม่ใช่กขาก็ฉายดูพระองค์นี้จะคุ้เที่ยงคือพระสองฉาย ก็มีหมดไปไปถึงปุกวันรุ่งขึ้นเาก็ตั้งเป็เจ้าเพราะอีกปีหนึ่งปุกก็ได้เป็นพรครูเลยก็ไปจริงแล้วมีวันึงไม่มีนบากปุ๊เอระเบิดเลยเจอระเบิดเลยเรียนรอนั่งหมดครับแล้วนี่เขารัอยู่มีเนดือนไมีเงินเดคับีน ยังไปก็หลายคนไปกันเลยมีนั่งเครื่องบินไปได้นะเครื่องบินทหารเอาไปส่งอกที <laughs> ภิกษุสงเหล่านี้นะทีนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงกําหนดอิริยาบทภายนอกของภิกษุเหล่านั้นด้วยมังสาจักสุในหมู่ภิกษุสงเหล่านั้นนะไม่ได้มีภิกษุผู้คนองมือและคนองเท้าแม้แต่รูปเดียวไม่มีรูปไหนยื่นศีรษะพูดจาหรือนั่งหลับอันนี้กําหนดดูด้วยมังสะภิกษุทั้งพวง น, น, นั้นนะนั้นเป็นผู้ศึกษาอบรมมาแล้วด้วยไตรริยา คือไปผู้อบอรมในศีล ส, สมาธิปัญญานั่งสงบนิ่งเหมือนหนึ่งเปลวป่าที่ในที่อันสงบจากลมใช่ไหมก็ลองคิดดูเปลวไฟที่ไม่มีลมอ่ะท้าก็เหมือนอย่างนั้นอ่ะนิ่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะนะทีนี้ทรงกําหนดอิริยาบถพิสูรเหล่านี้ด้วยมังสะจักสูุด้วยประการชนี้ทีนี้นอกจากกําหนดด้วยตาด้วธรรมดาแล้วเนี่นยะพระ อ, องค์ทรงเจริญอารก อารมกะหมายถึงเจริญแสงสว่างพอเข้าเจริญอารมกะสัญญาก็หมายมาเข้าอารมกิธาตุินเข้าอารกะธาตุินเข้าปฐมฌานที่ปุญญาฌานแต่ยฌานเจตุลฌานกาหนดแสงสว่างแล้วก็เข้าทิพย์ประจักษ์เอาเอาจเจตุลฌานเป็นบาปในการเจริญนภิญญาทิพประจักสุญญานเขียนนาทายรูปของภิกษุเหล่านั้น ก็คือไปตรวจ ด, ดูหาพยาวัตถุหัวใจเลยนะซ mm hmm. ึ่งเป็นที่ตั้งของมโนย์เป็นที่ตั้งของจิต mm hmm. แล้วประกำนดดูสีลนะฮะดูสาทิสีระสิขาจิตและก็สมาธิของภิกษุเหล่านั้ น, นตรวจดูสีญภายในด้วยทิพระจับเ mm hmm. mm hmm. นี่ยพระบริจารู้ขนาดนี้ว่าพระที่นั่งทีอยู่ห้าร้อยรูปเนี่ย มีสีไหมใช่ไะในใจน้องก็มาสีน้องก็มาสมาธิเป็นก็เหล่านี้ถึงไหมอย่างเราในเวลาเรามองเราคนเห็นธรรมดานช่ไหมใช่ไหมเราดูว่าท่านคนนี้มียากวดยังไงยังไงเนี่ยแต ii, ่ไม่สามารถมีตาไทยไงคือเราไม่สามารถมองเข้าไปทีหัวใจของไทยได้แต่พระเจ้ามองพวกเนี่ยเห็นน้ําล่อเลี้ยงหัวใจนะว่าน้ําล่อเลี้ยงหัวใจสีนี้ เออของคนมีราคะอย่งนี้ขอคนมีโทสะอย่างนี้ของคนมี โ, นนโมหะพุทธิยารู้หมดเลยตอนนี้ราคะโทสะโมหะกาลังเกิดตอนนี้นเนญญเีเกิดขึ้นแล้วสมาธิสัญญาเป็นตเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราพิจารณก็ตรวจดูทุกกะแ่ทุกระแสที่มีสัพพัญญุตยามเป็นแบนพราองค์ก็ได้ทรงเห็นสีนอันถึงอนราคะ ข, ของพิจุลาน้อยประดุจว่าตะที่มันสวา่างโพลไยในหมอนหม แท้ทีพิสูจเหล่านั้นน่ะเป็นผู้ปารควิปัสสนาเขว่าทรงกําหนดพระองค์ทรงเห็นสีวิญันเข้าถึงอรหันต์ของพิกูจน์หลายประดุษว่าปฏิกันธ์สว่างโพงอยู่ไทยคือเห็นเลยเห็นว่าพิสูจนเหล่านี้กาลังตาโรควิปัสสนาใช่ไหมเมื่อกําลังตารควิปัสสนานเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องหนดรู้เลยว่าท่านเหล่านี้เมื่อฟังสูงเนี่ย สังคีตสูตรที่ท่านปรัชญาได้บุตรแสดงเบ็ดเสร็จเหล่านี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นอัคยาศัยชารรู้เป็นพระธรรมไม่รู้อนาโคตรใดทรงเห็นสิ่งของพิสูจเหล่านั้นด้วยประกาศดังนี้แล้วก็ทรงดำริว่าพิสูจนเหล่านี้คู่ควรแกเราทั้งเราก็คู่ควรแกพิสูจน์เหล่านี้แล้วก็ตั้งิมิตไว้ในพื้นจักสุตัวดูหมู่สงแล้วประกัศเรียกท่านปรัชาไดบุตรว่าเราเมื่อหลั พเมื่อพระผู้เป้ า, เ, า, าเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรนนอย่างแรงกล้าอยู่ถึงหกปีก็เกิดความลําบากเพระวาระตายเป็นอันมากขั้นกลางต่อมาถึงคราวทรงพัชราเนี่ยลงก็เสียดหลังย่อมเกิดขึ้นแกพระองค์ได้ยังไงอาจารย์ท่ญญานจะขยายบอกว่าเรื่องทำไมพระพุทธเจ้าจึงเมื่อยลงบกก็เพราะว่าตอนที่ทรงบำเพ็ญทุกระการถึงสามหก ป, ปีนิดห น, น่อยน่ะ อย่างเราไม่ต้องอบปีใช่ไหมเราเราไม่นอนเดียสามวันสามวันอยู่ไหวสามวันเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะครั้ ง, ง, น, น, งนั้นทีนี้ตอนมีคำหนึ่งที่บอกว่าได้ยินว่าเจ้ามันละเหล่านั้นได้ปูราเตียงเป็นกัปปิยะไว้ที่ข้างด้านของสันธากา ในมุมหมายบางทีพระสัมาสัเดชจะบรรทมบ้างฝ่ายพระสาสดาพระดารีว่าเตียงที่เราใช้สอยในอยาบททั้งสี่จะมีขนาดมีสงมากแก่เจ้ามัรลเหล่านั้นจึงรับสั่งให้ปูรากข้าสองข้าวติบนเตียงนั้นแล้วก็บรรทมก็เลยว่าที่ทุกส่วนไงนะพิกษุสงฆ์ก็ลงใช้สร้อยพุทธเจ้าใช้สอยแต่เตียงเนี้ยังไม่ได้ใช้สอยพุทธเจ้าก็ดํารีว่าทําไมพุทธเจ้าถึงใช้คําว่าอกระดาษคนเมื่อย ก็จะได้น้ำเหี่ยแต่นี้จะได้เป็นบนรรทมเมื่อบรรทมยึดยังนี้แล้วเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าพระลักษมณ์พระเจ้าใช้สอยก็เป็นบุญใช่ไหมเป็นบุญเนี่ยคน ม, คนมีคนมีบุญเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนี้นะอ่าเรามีของชิดนหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นกับอียาได้นะไม่ผิดกับว่าทําวินัยไปถวายกันสมก็ไปใช้ถูกบุญไม่จะเกิดกับเราเย้ะนี่ไป็ต สมัยนั้นนี่คนเนยนะนิคนนาตะบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นามที่กรุงเปล่าเปลวนี่คนนาตาบุตรเนี่ยเป็นเจ้าพิธินะตายซาสดาร์นี่คนนาตาบุตรตายเพราะการถึงแก่กรรมของวิ่คนนาตาบุตรนั้นพวกนี่คนนี่ยก็แตกกันแตกกันเรเป็นสองพวกแล้วก็บาดหมางกันทะเลาะวิวาสกันใช้หอกคือปากทิ่นแทงกันอยู่ สมัยโบราณเนี่ยเวลาด่าว่ากันเนี่ยเขาจะ่าใช้หอกคือปากสิ้งแทงเลยคือไม่ได้ใช้มือเะ็มเต็มปากสิ้งแดงกันเคยไหเกิดมาเลยใช้หอกสิ้งแดงไหเร็มเต็มปากคือหอกสิ้แงแดงมั น, นคือว่ากันอยู่เองไม่มละมีทิ้งแดงเขาเลยทิ้งแทงบางคนเก่งมากในการใช้หอกคือปากทิ้งแทงเขาบอกมีสามีภรรยายคู่ แล้วเขาพูดเนี่คืออะไรยามมีแล้วก็สาบมีเนี่ยเขาเรียกพูดถ้ามีเนี่ยเก่งในการออกกําลังในใช้กําลังถ้ามีเจ้าภรรยาแล้วเก่งในการใช้ปากเ<ม>ขาบอกว่าปากเรื่องเนี้ยเงี้ยแล้ดา่าหัวกระทุกตีใครแคร <laughs> เขาพู ก, กันยังน้องขำเลยไงหัวไม่รู้เรื่องจริงนิดนึงแค่ไหนหัวเหัวเตาเจเนี้อตกน้ำตกไวโชววนูนิ้วเป็นหลงเนี้ยหัวน้กตาไหลไม่หัวขนาด จ, จะตายหวาโกโรคสองคนก็เรียกดอกไม่ช่วยแล้วอมมันพอพุมมาก็กดเอาๆๆน้ำออก บอกว่าต่อไปไม่ทำาะมนเห็นความดีจะตายยันบอกปากโอ้ก็พีเนียยบอกุมไม่ปากโอ้ผมบอกนิ่ยหนีผู้ดาวพ่อเนี่กหนูผู้ดาวเนี่ยหลอกกิน่ลังยาเล่าบางมีหรือเปล่าเนี่ย ทีนี้ข้านเหล่านี้บอกว่าทะเลองยุ่อไม่ใช่หรอนี่คนก็ทะเองอยู่ว่ากันทิ้มแทงกันได้โดยโดยโดยหอมหรือเปล่าทีนี้ทิ้มแทงกันบอกว่าท่านไม่รู้ว่าถึงคำวินัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ถึงคำวินัยนี้ท่านจะรู้ถึงคำวินัยนี้ได้อย่างไรโดยตัวเหล่านี้ท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของด้านนม่มีประโยชน์ คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับมาพูดที่หลังคำที่พูดที่หลังท่านกลับมาพูดก่อนไอ้คนทะเลาะกันก็มีในเรื่องแบบเนี้เลยสักเกตเลเนี่ยถ้าอย่างในปัจจุบันนี้ก็ทำไมต้องพูดอยู่นั้นทำไมต้องพูดอย่างนี้มัเอคุณพูดอย่างนี้พูดได้ยังงอไรอย่างเงี้ยคำพูดนี้ก็ต้องต้อว่าเลยนี่ก็คือการขีนแยกันนี่ยแหละการพูดแบบนี้ประโยชน์ีพูดแบบนี้ไม่น่าพูดเลยเนี่ยฉั้นนี่มีประโยชน์เลยกับสายกันสรุปแล้วก็คือทะเลาะกัน เรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วว่าไงข้าพเจ้าข่มท่านไปแล้วถ้ า, าท่านมีความสามารถจะจงหาทางแก้คำพูดหรือเพื่อนตนได้พ้ น, น, น ผ, ผิดเถิดก็จับผิดกันเห็นแต่จะมีแตการฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปเพื่อพวกนคนุกเป็นสาวกของนิค น, น่าตนแม้สาวกของนิคน่าตะบูธที่เป็นกหรหดสน่องเท้าองสาวก็มีการเบื่อหนายคายความรักรู้สึกทอด อ, เอนเล่พวกนิคน ผูเป็นสาวกของนีคนน่าจะบุตรคั้งนี้พระธรรมวิาานัยที่มีคนน่าจะบุตรกล่าวไว้ดีแล้วประกาศไว้ไม่ดีว่ามันจะกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสมงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ที่ใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่คำนักถูกทําลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่ดีที่ขึ้นอาศัย ทีนี้ว่าอาจารย์ท่าจย่อยข่าท่านภาษาลิบุตรเนี่ยขเขารียกพิสูจทั้งหลายมาประกาศว่านีคขันโผวอุโสนาตบุ ต, ตปาวายามนาินุอาทุนาการันโถบปลว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเขาบอกท่านผู้มีอายุทั้งหลายบอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย น, นีคนนาะบุตรได้ถึงแต่แบบกรรมแล้วไม่นามที่กุมปาวา เพราะการถึงแก่กรรมของนิค น, น่าตะบุตรนั้นพวกนิคนแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกกรเทียงกันในนั้นทะเลาะกันังที่ได้กล่าวว่าท่านไม่รู้ทำวินัยเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ทําวินยวัทน ย, นยที่ทำนักอยู่ถูกทาลายแล้วเป็นทำวินัยที่เป็นมิจฉาพิมพ์เป็นต้นพระสารีบุต ร, รก็บอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละในทำวินัยที่าศาวสดาลกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ก็แปลว่า ธรรมวินัยของนี่คนหน้าจับบทเนี่ยเป็นธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีเป็นธรรมวินัยที่ไม่ได้ออกจากแค่ทุกชาทุกวรณะทุกโสกตประภิเทวาทุกแต่โทมานัสสารีอุปายะไม่เป็นไปเพื่อสงบรนาจีเลคือไม่เป็นไปเพื่อสงบระนารบารณะโทสารโมหะเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้หมดเนี่ยคําสอนที่ไม่ใช่พระเจ้าประกาศไว้เป็นแตกแยกส่วนธรรมวินัยนี้ นายคว า, ามว่าทำที่นายของพระพุทธเจ้าพิจารณาไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนําออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อสงบเลยครับเป็นไปก็ออกจากท่าติดทุกชะลาทุกมโนนั้นทุกโสกาปริเพวาทุกกระทนนัสัาและอุบายคนระับเป็นไปเพื่อสงบเลยครับกิเอสคือราคาโทสารมโหสถเป็นธรรมที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละคือสังขยา เขาจสั่งพยานาในทคำนั้นก็แปลว่าพึงร้อยกองพระธรรมวินัยเอามาจาับเป็นหมวดเป็นหมู่ทำหมวดไหนที่เข้ากันได้ก็มาอยู่ในหมวดเดียวกันพราะพระพุทธเจ้าต้อแงแสดงธรรมเนี่ยแสดงไปตามอัคยาสัยบ้างสแสดงไปตามอาวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลบ้างในต้นเหล่านี้ใช่ไหมฉะนั้นพระธรรมวินับอกว่าคือเราทั้งหลายควรมาร้อยกองพระธรรมวินัย เขเรยว่าสังขยาณาไม่มพิ่งวิาดกันในดาวนี้ัยนั้น <c oughs> เพื่อให้พระมารย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดารงอยู่ได้นานพระมรรคหมายถึงศาสนาพระมารรคคือทําให้ศาสนากล่าวคือคําสอนของพระพุทธเจ้าอันสําเร็จด้วยสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยมื่อรวมลงนี้ของพระพุทธเจ้ามานํารงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลแล้วนั้นก็ข้อนั้นจึงเป็นไ บ, บเพื่อเพื่อกูนแก่หมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก ก็แต่ว ok ่าตะขัดจะภูชนาหิตายะภูชนาสุขายะโลกาตุกมายะอัคขายะหิการะสุขายเดวามุสะนะงว่ามแะถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อภูใหญตคนหมู่มากเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุพัทธาโรเพื่อประโยชน์เพื่อภูเก็ตเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะคาสอนพระเจ้าเป็นบอกว่าเออภูชนหิกายะเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากภูชนาสุขายะ เพื่อความสุขแก่คนลโลกาเมื่อป า, ายังเพื่ออะไรเพื่อดูครอบชาวโลกดังคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยระดับโลกไงระดับโลกระดับในในการปรุงรูปภูมิและรูปเป็นประโยชน์แก่โลกทุกโลกเพื่อดูครอบชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อบูแก่เทวดาและรูปทั้งหมา เทวดาทุกชั้นพรหมทุกชั้นเนี่ยถ้าได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติการมทางสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในพรหมนี้แล้วประโยชน์ในอย่างที่ก็คือความพ้นทุกข์ทั้งผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าที่พระูมีพระภาเจ้าของเราสรงตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนําออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อสงบระงับเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วท่านจาได้รู้สบาเลยขึ้นมาแล ก็พวกเราทั้งหมดนี hand, ้แหละพึงสังขยานาไม่พึงว er ิวาทกันในธรรมนี้ในนั้นเพื่อให้พมจันนี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเพื่อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่อรู้ข้อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและ่องนู้ทั้งหลายเพื่อประโยชน์สามแก่มนุษย์แก่เทวดาทั้หลายเพื่อที่ากมีการะ่ประโยชน์คือประโยชน์ในประโวชนาภพ เพื่อทํปปาระโยชนการนิการาประโยชน์คือประโยชน์ในภพหน้าเพื่อปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งก็คือความคน้นพบส่วนคาว่าอามันเตสิก็แปลว่าทรงประสงค์จะแสดงสว่างอาตธรรมมันทาความสงบระนาเดียดมีการบาดหมางกันไปต้นจิงไมได้ตับเลี้ยงสว่างอาตธรรมทำที่ตับได้ดีแ้คือต้องการประกาศถ้าทำบุญที่เราพุทธเ จ, จากก้าประกาศไว้ดีแล้วจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เขาเรียกว่าสังคีต ทีนี้เอกการคือหมวดหนึ่งนะสามกิติหมดหนึ่งทางภาษาลิบุตรก็กำหนดทางพระมีอายุทั้งหลายทำไว้หนึ่งตัดหมวดละหนึงประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นเป็นผ้าด้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบนิยูพวกเราทั้งหลายทั้งหมดที่แหละคือสังฆายนามีมีวาดกันในนามวินัยนั้นเพื่อให้พระธรรมจารย์นี้ตั้งอยู่ได้นานและก็ดํารงอยู่ได้นาน ข้อนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแต่คนหมู่มากเพื่อความสุขแต่คนหมู่มากเพื่ออนุพ้อยชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูแต่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดหนึ่งประการคืออะไรมันจะสับตะโมเอโกธรรมมุโสทั้งหมดหนึ่งคืออะไรบ้างประวัติไปเลยว่าสับเพสตาอาราคัชิกาสับทั้งหลายทั้งปวงดารงอยู่ได้ด้วยอาหารนี่ทำหมดหนึ่งนะสับทั้งหลายทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหาร มานจะคำว่าสัพเพสัตตาอาหารรัติปิกาและประการสมาสัพเสัตาสังขารััติปิกาบอกสัตวทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารนี่คือทำหนึ่งท่านผู้เยียทั้งหลายนี้แหละคือทำหนึ่งประการที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นป้าฐานต่มาสพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบพวกเราทั้งหมดนี่แหละคือสังพิยนไม่วิวาการเมทมิในนะ เพื่อให้ธรรมจารีตตั้งอยู่ไ like, ด so ้นานดํารงอยู่ได้นานข้อนั้นเนี่ยจับได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อภูด้วคนหมู่มากความสุขและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อภูด้วยเทวาและมนุษย์ทั้งหลายนี่จบแล้วทั้หมดนี่ตักถานก็แปลว่าในธรรมนั้นต่อไปโลก็ไปขยายคําว่าสังฆาริสตพันก็แปลว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพียงการพึงสังเพียนะคือสงฆ์ผู้มีท่อยทำเป็นอันเดียวกันมีได้ทําไม่แยกกันเนี่ยพึง สังขยาในที่นั้นก็ถือว่าส่วนสายายบอกกลันเช่นสายายบอกว่าสัพเพสัจาราสิจิกาสัเพศตจาราสังขารสิจิการลักษณะนี้สายายและทรงจำเข้าไว้อย่างนี้ก็าจะทรงจําหมวดหนึ่งนะที่จมาขยายเรียนะเมื่อเราส่วนเราสายายบอกว่า ท่านพระอาจี่บวชก็ว่านักวิวัฒที่ต่อทางก็แล้วว่าไม่ควรกล่าวแย้งกันในอักขระก็ตามในพยัญชนะก็ตามก็หมายคือจะ่าไปเถียงกันเป็นอย่างนี้พยัญชนะเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างยกเปรียบเช่นสัพเพสัพภาเนี่ยอันนี้เป็นพยัญชนะสัพภาเนี่ยเขาแปลว่าทั้งหมดนะแล้วถ้าว่าพยัญชนะเนี่ยหรือสัพภานี่แปลว่าทั้งหมดหรืแปลว่าพยัญชนะ แต่ว่าทั้งหมดในที่นั้นได้แก่อะไรสัพเพสัพเพสัตตาอาหารัสิปิกัวสัพทั้งหมายสั์ทั้งหมดเนี่ยดำร ง, งอยู่ได้ด้วยอาหารคาว่าสัพทั้งหมดเนี่ยเอาหมายความนักอัตถะของนี้เนะยอัตถะสัพนี้เนะยความหมายเนี่ยหมายความสัพทุกคนสัพทุกจําพวกทุกภพกทุกภูจะอยู่ได้ด้วยอาหารี่เป็ดหัวเดื เราก็ไปพิจรารณาจริงไหมเอาตั้งแต่ในอบายภูมิเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารไหมเปรตอยู่ได้ด้วยอาหารไหมอสุรกายสัตวกายสารอยู่ได้ด้วยอาหารไหมมนุษย์ทุกพัน์ทุกเราอยู่ทั่วภูมโลกเทวดาชั้นจาตุมหาลัยกาดาวจริงสายามาดุสิกาเดมานาราดีดปริมพิสวัตวดีใช่ไหมตลอดถึงชั้นพเนี่ยนะตั้งแต่อรูปรพมสิบห้าอัศจรรย์สตรพมหึ่ง แล้วกลับด e ูระบรมสีสรุปแล้วว่าเครือสัตว์ทั้งหลายในสามสิบเดทบเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยดารงอยู่ได้ด้วยอาหารใช่หรือไม่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าดารงอยู่ได้ด้วยอาหารคำว่าเอโกทำโมก็แปลว่าพระเถราัมมีความประสงค์จะแสดงสามขีรถดมากๆอย่าว่าเช่นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามเป็นต้นเป็นเก่าเอโกทำโมก็แปลว่าทามวลนี่ดังนี้เป็นอันดับแรก ก็หมายความว่าจะกล่าวบอว่าทำหมวดหนึ่งเป็นยังไงตามหมวดสองเป็นยังไงตามหมวดสามเป็นยังไงทำหมวดสี่ทำหมวดห้าเป็นต้นเนี่ยเป็นยังไงนี้เป็นต้นจึงใช้คํำบอกว่าสัพเพสัพตาหมายถึงสัต์ทั้งปวงเนี่ยในภพทั้งปวงเช่นสัพในกามภพในรูปภพในอารูป์ภพใน่ไหมถ้าสัต์ในกรรมภพมีกรรมภพนี้เท้านั้นกรรมภพมีอยู่สิบเอ็ด ก็มียายาภูมิสีมนุษย์หนึ่งแล้วก็สวรรค์หกในายายภูมิสี่ก็มีพวกสัตว์นรกมีพวกเปรดมีจุรกายมาเรยาฉาญมีสี่้ใช่หมมนุษย์มีกันหนึ่งภูมิกับกลุ่มเราท่านทั้งหลายนี่เขาเรียกมนุษย์แล้วก็มีเทวดาอีกออหกชั้นก็มีกาตูมาลิกกาตาวดิมสายามาดุสิกานิม า, ารดีแล้วก็พลายมิวิสวสวันดีอันนี้คือกลุ่มเทวดาอันนี้เขาเรียกว่ากาบม ถ้าโรคภพมันมีอยู่สิบห้าภูมิซึ่งพกรวมทั้งหลาย ส, สัตว์และสตวภูมิแล้วก็โ ร, รโูคภพก็มีอยู่สี่ภูมิรวมเด็ดเสร็จก็คือ ว, ว่าสามสิบเอ็ดภูมิสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยาววาอาหารเ้าเรียกว่าสัพเพสัตตาอาหารรับผิติกะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมัอยู่ได้ด้วยอาหาทีนี้ยังมีบอกว่าสันยีภพอ่าสันยีภพ ในว่าสัญญาสัญญาสัญญาพบเนี่ยก็แปลว่าสัตว์ที่มีสัญญาเขาว่ามีสัญญาในที่นั้นหมายความว่าสัตว์ที่มีจิตอย่างพวกเราเนี่ยจับเราเป็นสัตว์ที่มีสัญญาแต่ไม่ใช่สัญญาที่แปลว่าความจาในสัญญาในที่นั้นหมายความว่ามีจิตเนี่ยมีความคิดนี่เป็นต้นอะไรนี่ที่ในสัญญาพบเป็นมีและกายภูมิสี่ก็มีสัญญาเท่านั้นเไยมีสัญญามีความรู้สึกใช่ั้มเช่นว่า อย่างเราสักหลายอย่างนะอะไรศาสตร์คือศาสตร์ในสารคอมพเตอร์อะไเนี่ยถ้าร้อนเาก็รู้สึกย็นก็รู้สึกขิ้วก็รู้สึกเนี่ยก็จะมีสัญญาอะไรนี่เขาเรียกสัญญีพพเทวดาสังหลายอยมีสัญญาูพพระกุมภ์แวแต่สัญญาสัตว์ภพไปแต่สัญญาสัมว์ภเนี่ยไม่มีสัญญาอันนี้เขาเรียกเป็นเอกภพเป็นอาสัญญีพพเป็นพบที่ไม่มีสัญญาส่วนในว่าสัญญานาสัญญาภพเนี่ยเป็นในวาสัญญานาสัญญายชนภูม อันนี้อยู่ในรูปภูมิสุดท้ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอกโกระโคหมายถึงรที่มีขันหนึ่งกระโคอั ศ, ยศรยะตตพรมมีอยู่ขันขันเดียวเว้ยลาเราส ว, น, วนกันไงมั้ยสัตว์ที่มีหาขันสัตว์ที่มีสี่ขันแล้วก็สัตว์ที่มีขันเดียวสัตว์ที่มีสัตว์ที่มีขันเดียวเนี่ยก็เรียก A Q o G R o P, เ อ, อกโหกระโกนีเรียันรยะตตพรมเดี๋ยวจะไปหาดูว่าอุตสา์สีดันยังไง ตอนนี้ ก, ก็มีขันขันเดียวเด่กก็อยู่ได้เงยเดี๋ยวตรง น, นี้ไปขยายอย่างนี้ก็คือว่าคำว่าอาหารแิะกิการเนี่ยเขาแปลว่าตัดํารงอยู่ได้เพราะอาหารเนี่ยอาหารและกิจการพูดดารงอยู่ได้เพราะอาหารเนี่ยอาหารย่อมเป็นเหตุแห่งการดํารงอยู่ให้กับรสรรพสรรทั้งหลายโดยประการหนึ่งทีนี้พระเถรหมายถึงท่านพระสาวรีบุ่างไงท่านแสดงความหมายบอกว่าท่านทั้งหลาย ทำหมวดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายรวบรวมหรื อ, ร อ, อได้ก็อหาในภาษาสดาของเราทั้งหลายทรงทราบความจริงจริงได้กลับว้ญญอย่างถูกต้องก็เป็นกานตัดแบกว่าอาจารย์ย่าตัดกับผมเป็นอะไรยะตุกาะไม่มีอาหารไม่มีาศาษาแบบนี้เป็นต้นเนี่ยถามว่าดูเขาอยู่ได้เองไหมก็อบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพเพราะว่าอะไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเนยคนจะบอกว่า อันอาหารเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วหรือเพื่อการตามประทับประคองของสัมภเวสีทั้งหลายีวิวสีปัดกรคําว่าสัมพเวสีเนี่ยถามว่าได้แก่ในยะนี้นะหมายถึงความว่าสัตสวทต์ที่ยังต้องแสวงหาที่เกิดสัตว์ที่ยังต้องแสวงหาที่เกิดเนี่ยมีอยู่เจ็ดอย่างพ่วก ก็มีเปรตอสุรกายสัจเดาศนิยาบายศาสตร์คือใช่ไหมแล้วก็มนุษย์นึ่งแล้วก็พ้าโสดาบันเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปนตามลำดับจนถึงพระอนาคามินนะเว้นเว้วนพระอนาคามินอกนั้นจักว่าเป็นสัมภเวสีนั้นสัมภเวสีจะพกเราเป็นไหมเป็นก็แปลว่ายังจะต้องสวดให้หาที่เกิดเช่นว่า กายจากมนุษย์แล้วยังจะต้องไปเกิดอาจจะไปเป็นมนุษย์บ้างหรืออาจจะลงต่ําอาจจะขึ้นสูงอะไร ต, า ต, าตา่างๆแล้วแต่ว่ากรรมเป็นตัวกําหนดในการที่จะเป็นไปในภพต่อไลอพจากภบสู่ภบจากขันสู่ขานนี้นแหลลักษณอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสัมโบเวสิทีนี้ในเวลาสัมโบเวสิทั้งหลายเนี่หรือสัตว์ที่ยังจะต้องแสวงหาที่เกิดทั้งหลายเนี่ยนะมีอยู่สี่ประการนะที่เป็นอาหารประการแรกก็คือหนึ่งกับวิญญาณอาหาน อาหารหยาบๆหรละเอียดก็ตามเช่นอาหารที่เป็นคำคำที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็าเรียกเกาลิ่งกัาหาอาหารที่เป็นคำคำการที่เรากินลงไปเป็นๆแบบนี้อาหารก็เภทนี้สามารถทําให้ร่างกายของเราทั้งหลายดํารงอยู่ได้เยอะเช่นบางคนกินเมื่อนหนึ่งก็ดํารงอยู่ได้อาจจะ้องวันสามวันอะไรก็แล้วแต่หมายความว่าอาหารก่อนจะหมดจริงๆเนี่ยนะเพราะว่า จริงๆอาหารที่เราใส่เข้าไปมื่ดิถ้าจะให้อยู่ได้จริ ง, จรงๆจะอยู่ได้ถึงเจ็ดวันมืดดิแต่อยู่อย่างหิว โ, โหยนะแต่ถ้าตายเจ็ดวันจ ะ, ะเจริญเจ็ดวันเล ย, ยแต่ไมอยู่ได้เจ็ดวันอาหารมืดหนึ่งที่เรากินต้องไปเต็มที่เลยเนี่ยเราไม่ก็ใช่น้ำเท่าไหล่ชยที่อยู่ได้จริงจริงถเจ็ดวันแต่ถ้าร่างกายต้องดีด้วยเหมือนที่เขาไปอดอาหารบรรทุนกลางในกาง อ, อันนี้อันนี้ร่างกายไม่ดีสิ ว่าไม่ถึง7จดวันหาเขาโรงพยาบาลมอันนี้ไม่ดี <c oughs> <c oughs> นี่เขาเรียกอะารยาอาหารเนะี่ยทีนี้อาหารเลยนะถ้าอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าบำเป็นความเพียรอยู่ตอ น, นั้นพระพุทธเจ้ามาตั้งอธิยาสายบอกว่าที่แรกก็กินอาหารลนอะไรนงติดที่เราบาก็ลดลงลดลงจนเหลือเท่าขนาดาเท่าไม่กุศลแล้วก็ตั้งสมาทานต่อไปนี่แต่ จักไม่เอาอาหารนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยประการใดัพอตั้งสัจจะอธิฐานแบบนั้นเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยเทวดาก็มาบอกว่า อ, อบอกว่าท่านกัณฑม้าบุรุษเนี่ยเราไม่อยากให้ท่านตายเราถึงแน้ยว่าท่านจะสมาทําให้กินอาหารแต่เราจะเอาโอชาที่เป็นทิพทาตามกายทาตามตัวให้ซึงเข้าตามผิวหนนั้นน่ะเพราะอาหารของเทวดานี่ละเอียดอยู่เลยไหม ถ้าซึมก็ไปตามผิวหนังก็อยู่ได้อยู่เป็นเดือนก็ได้อยู่เป็นปีก็ได้ถ้ามหาบุตรตอนนั้นก็ได้เจ้าเลยไม่ได้ไปรู้ไปรู้เลยเจ้าก็ขอร้องเทวดาอย่า <repetition> ท <ceu> ําให้เราลงบางเลยเราได้ตั้งสัจจะเข้าไว้ว่าจะไม่นําอาหารเข้าสู่ร่างกายถ้าข่านทั้งหลายนําอาหารมาใส่ร่างกายของเราเนี่ยคําพูดของเราก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อเป็นปู่ยิ่มุสา การสมาทานความตั้งมั่นที่จะเป็นสัจธรรมบารมีของเราเป็นอธิฐธานบา ร, รมีของเร า, รร ม, เรามันก็ไม่ได้ใช่ไหมนนคนที่เขาอย่างระดับพระพุทธเจ้าที่ต่านสร้างบา ร, รมีที่ตั้นสร้างบอกว่าท่านบอกว่าอธิฐานบารมีคือตั้ง้งจิตอธิฐานว่าจะทําอะไรต้องทำเลยแต่อธิฐธานบา ร, รมีเนี่ยต้องทํำในสิ่งที่ดีนะถ้าสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราไปตั้งใจไหวนะอันนี้ไม่เรียกว่าอธิฐธานบา ร, รมีเช่นฮะ เขาจะไม่พูดแต่คนคนนี้จะไม่เขาสอบเยี้ยคนนี้นะจะไม่ต๋าผี่เรื่อยแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วมีจริงนะมีวันวันหนึ่งเขากว่าเอ้าถามว่าทําไมไม่ไปหาคนคนนี้ละเขาบอกเขาไม่ไปครับถามว่าทําไมยึงไม่ไปเขาบอกว่าเขาเขาทิฐิฐานแล้ว่าเขาจะไม่เต๋าผีเลยคนคนนี้ก็คือต้องโกรดกันรักกันไหนเงี้ยเขาได้ตั้งกิจอธิฐานไปแล้วว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่า ฉะนั้นก็ว่าอินารอาหารเป็นอาหารหยาบด้วยละเอียดกระทำจนภัสารอาหารคือผัสาะอันนี้กระทำก็เป็นอาหารเหมือนกันผัสสะเป็นปัจจัยแก่ละภัสาะเป็นปัจจัยแงเวทนาไหมสุขเวทยนาทุตเวทยนาทุกขมาทุขเวทนาเนี่ยมีภัสสะเป็นปัจจัยนหมยกตัวอย่างเช่นอาศัยตาและลูกเกิดจากกุญญญาณการประชุมน้องคำสามประการเป็นผัสสะอาศัยตาอาศัยสี อาศัยตาอาศัยสีแล้วก็อาศัยรูปอาศัยตาหมายถึงอาศัยจักรวิญญาณใช่มแล้วก็อาศัยโลบารมแล้วอาศัยจักรอุปสรรคสามอย่างไปชมกันนะเรียกว่าพัสดาก็เรียกจักูวิสพัสดาพัสดาก็เป็นปัจจัเกิดเวทนาคือสุขเวทนาทุกเวทนาและทุกมรรคเวทนาไอเวทนาก็เป็นปรจจัยเกิดตัณหาตัณหาเ็เป็นปัจกัยเบานอุบาดาบเป็นปัจจัยเกิดพบพบเป็นประจัยเกชาต ถ้าเป็นปัจจัยเด็ดชรามารณะโศกกาปรีคือว่าทุกขประท้วงประาและก็อุปายากความเกิดขึ้นในกอนทุกขมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่นี้ตั้งจต่พระพรรษาก็เป็นปัจจัยก็เป็นอาหารพรรษาเป็นอาหารน้ออะไรเป็นอาหารของเวทนางนั้นปัจจัยในที่นี้แปลว่าเป็นอาหารในที่นี้แปลว่าปัจจัยแปลว่าปัจจัยนะเป็นปัจจัยก็ได้แปลว่าเหตุก็ได้เป็นว่าเป็นสมุทฐานนะ เป็นสมุทาราเลยเป็นปัจจัยเลยเป็นสมุทไทย เ, ยเป็นเหตุ<ช>กันนี่ก็คือปัจจัยก็คืออาหารนียฉันทะาผัดซางก็เป็นอาหารเพรอะไรเป็นอาหารของอวเวรที่เรามีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยในชีวิตของเราเนี่ยใครเป็นเป็นอาหารของท้องผัดซางนี่แหละถ้าไม่มีตาถ้าไม่มีการกระทบทางเทาวานาิยมความสุขความทุกข์ความเฉยเฉจะเกิด ข, ขึ้นได้ไหม ถ้าไม่มีการกระทบทางทวารหูความสุขใชถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงไม่มีโสตประสายถ้าไม่มีการกระทบทางนี้นะถ้าถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงก็ไม่มีโสตวิญญาณประชุมกันเนี่ยนะความสุขความทุกด้วย่เฉยเฉยก็เกิดขึ้นไม่ได้ ฉะนั้นผัสสทางตวารหนูก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาทางทวารจมูกเช่นกลิ่นนะถ้าไม่มีการกระทบกันทางทวารจมูกถ้าไม่มีผาสสะทางทวารจมูกเวทนาก็ไมมีสุขทุกข์เป็นต้นอะไรนี้ก็ไมีทางทวารลิ้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะสัมผัสรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นต้นอะไรนี้มันก็เกิดการกระทบผาสสะทั่นเองพอมีผาสสะมันก็เกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างเกิดความเฉยบ้างอาหารบางอย่างเนี่ยให้ความสุขใช่ไหม โอ้ช oh, ื <ginger> ่นใจมากทีนอาหารรูปแบบนี้ก็ไปอาหารบางอย่างให้ความทุกข์ไหเคี่ยวกระดูกเก็ไปมันทุกข์หรือว่าของที่เราไม่ชอบใจนี่ก็เกิดความทุกข์อาหารที่เรากินทุกวันอ่ะเฉยๆอร่อยว่างั้นงั้นหรือนี่เป็นต้นอันนี้ก็ให้รูปเวะทาวีกันนะท้งร่างกายเหมือนกันเสื้อผ้าบางตัวบางชิ้นเนี่ยเวลาสวมใส่ร่างกายพอกระทบปุ๊บเนี่ยบางอย่างให้ความจุนบางอย่างก็ให้ความทุกข์ ให้ยานายมาใส่เขาใส่ปุ๊เกิดมันคันหรือไม่นะโอ้ทุกบางอย่างก็ให้เฉยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็อีกตัเนี้ยงรักตัวนี้ก็ให้เฉยทางใจยก็เหมือนกันนะคิดบางเรื่องมันเกิดสุขเวทนาคิดบางเรื่องมันเกิดทุกคิดบางเรื่องก็เฉยเเราคิดหาคนบางคนเวลาคิดหาเขาปุบเดี๋ยวเราชื่นยันมาสุขเวทนาเกิดบางทีคิดหาคนนี้ทีไรแล้วแหมมันเครียดทุกทีเลยเลยนะบางคนก็บอก มีมียอมคนนึแต่นั่งไปนั่งในที่ไปที่กรุงเทพไปเป็นยังไงเบอกนั่งนั่งคุยครโซบะเขาบกเาคิดถึงคนอื่นเขาบกสบายใจแต่พอคิดถึงภรรยาทีไรก็เครียดทุกทีเลยอะไรไรเงี้ยพอคิดถึงคนอื่นก็ก็ไม่เป็นไรพอคิดถึงภรรยาทีไรก็ตุ้งใจทุกทีเลยวามัเป็นอะไรก็อันนี้ภาษางาษาธรรมน คืออารมณ์นี้เขาเรียกว่าละคุณะอย่างนี้ต้องบอกเป็นปฏิฆะเป็นปฏิฆะนิมิตคือคำว่าปฏิฆะนี่นะเขาเรียกว่าธรรมชาติที่กระทบกระทั่งอาการ ท, ทาี่ 1, กระทบกบระทั่งนันมีสามอย่างหนึ่งกรทบกระทั่งสัมบุญุตธรรมคือธรรมทีเกิดร่วยวัฏฏะตนไอ้ตัว ป, ปฏิฆะนี่นะยกตัวอย่างเช่นตัวโทรศเนี่ยเวลาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย เขาก็ทำเวทนาทำขัดซาทำสัญญาทำเจตนาทำหนาทีิการทำเจตสิกที่เกิดโรคแบบเขาให้กระทบกระทั่งให้เศ้ามองและเล่าลอยจาวเขาไปนี่ก็าเรียกกระทบกระัประการต่อมาก็คือกระทบกระขั่งที่ตั้งหมายความว่าไอ้ตัวโธศาส์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมามากๆมันจะปวดที่ไหนปวดที่หัวใจบางคนเวลาปวดมากๆปวดแล้วริ้วหัวใจเขาเรียกกระทบกระขั่งที่ตั้ง เพราะไอ้เขาว่าศริตเนี่ยมันเกิดขึ้นดีใจใช่ไหมเพราะมันเกิดขึ้นมาววเวลาเครียดม า, มากๆเลยหัวใจก็เป็นแหรงมันเต็นแรงก็ปวดที่หัวใจอันนี้เรื่กระต้อกระตั้งแล้วก็เป็นปัจจัยทําให้ผิวหน้าไม่ง่ายคนใีเจะระดับนางงามทั้งงานถ้าปลดขึ้นมาเนี่ยขี้เลยเลยยัง <c oughs> จ, จะงามไปาดไหนไว้ไปวดเนี่ยจะปลดก็ขี้เลยลองเอาทํางานจักรวาลมาปวดเต็มที่ดูเรื่องถ่ายเท่านั้นมาดูสาวเลย จะไม่มีวางร่างเขบอกว่าสัมผัสกระทา่งที่ตั้งก็หมายความว่าทําไม่ถึงหน้าแล้วก็กระตกกรรไม่ไดประการที่สามก็คือว่าสัมผัสกระทั่งอาเช่นถ้าเราไม่ชอบใจอารมณ์ไหนเนี่ยแค่คิดถึงก็เครียดมันอยากจะเบืออหน้าหนีอารมณ์นั้นไม่ปราถนาไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะได้ยินอารมณ์นั้นเขาบอกว่าคุณโปรดตอนนี้ใช่ไหมไม่โปรดเราแต่ไม่อยากเห็นนะแค่ได้ริงก็คือโทสะเลยมันไม่ชอบอารมณ์นะ พอมันไม่ชอบอารมณ์นั้นมันก็อยากจะเบือนหน้าหนีจากอารมณ์นั้นเคยเป็นใช้ไหบางทีเราบอกว่าเราเน่ไปโกรธใครแล้วใครอะไรทุกคนเลยเขาทาไมไม่คุยกับคนนั้นล่ะไม่อยากคุยหนี้หน้าเพรี้ไอ้ตรงนี้กคือโทรศัพท์น่นเมันเบือนหน้าอ่งนี้ิดขึ้นีเป็นแล่รางฐาของโทรศัพท์เอฉะนั้นร่างฐาของบอกว่าโทศัพท์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเวทนาในตัวทรมาแลตัวเวทนาอะเป็นปัจจัยเกิดปิฆา ไอ้ตัวโทมานเววนาในเป็นเวทนาปฏิกาไม่เป็นต้องการเพราะโทมานะโทมานาเววนาเกิดขึ้นก็เขาก็เป็นปัจจัยกับโทรศั์โทรศัก็์ปรุงแต่งเขาทําเราอย่างนั้นเขาว่าเราอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนั้นแล้วโหปรุงแต่งบางทีไม่ดีอย่างนี้เดียวปรุงแต่งได้เป็นวันน่ะเขาไม่น่าว่าเราเลยเขาพูดแต่อย่างไงคำนี้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วก็ตกรางานกันไปแล้วไม่ใช่แค่ว่านะ ถ้าเขาเคยทำเขาเคยทําความเสียหายให้กับเราเราก็กเขากําลังทำความเสียหายให้กับเราเราก็โกแล้วคาดเคลียว่าเขาจะทําความเสียหายกับเราในอนาคตเราจะตกเลยใช่ไหมเช่นวันนี้ไม่ทำเราได้คนคนนี้ต่อไปก็จะทำความเสียหายมันมีก็ตกเหมือนคนบางคนที่บอกว่าเป็นนักการค้าเนี่ยไม่ได้ถ้าให้มันเกิดถ้าให้นักการค้าคนนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ย นแน่นะเขเราแย่แน่เฮ้ยทำลา ย, าลยตัวเองจะเขาจะทําความเสียหายให้กับเราก็ทำลายแล้อันนี้ลักษณะนิโทสะไม่ได้เป็นเดียวหรือว่าเขาเคยทำความเสียหายให้กับคนที่เราละก็โกรธกาลังทำความเสียหายกับคนที่เราละก็โปรธจะทำความเสียหายให้กับคนที่เราละก็โกรธถ้าเรียกว่าคนคนนี้เป็นศัตรูกับลูกเรา เดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าลู ก, ลลกเราไปโรงเรียนมันจะจัดการกับล่กลเราเราก็ปวดทันก่อนแลยวจะรักตรงไหนในโทรศัพท์หรือเขาเคยช่วยเหลือคนเขาเคยช่วยเหลือคนที่เราเลนะกลียดนะเปกอดตัวเองนะไอ้โทรศัพท์เนี่ยเขากําลังช่วยเหลือคนที่เราเกลียดรู้ข่าวแล้วคนตคนนี้เขาจะไปช่วยเหลือคนที่เราเกลียดในโปรตประการที่สองก็คือว่า ในกลุ่มที่เดินไปเตะกระโถนเร่องเตะตอก็มีแล้โขดตอกโขดกระโถนเป็นตลักษณะนี้ก็คือโทสะทั้งโทสะเหล่านี้ก็มาจากโทมานะสวีตนะเวนานะสวทนาก็กนี้มาจากพัสสัตฉะนั้นสัตว์สหานนี้เป็นปัจจัยเกิดเวนาทั้งสุ um ขเวทานาทุกถ้าสุขเวทนาเป็นปัจจัยแกตัณหาถ้าทุกเวทนาเป็นปัจจัยแกทุสานะถ้าเวขาเวทนาเป็นปัจจัยแก่โมหะขึ้นตั้งขึ้นทั้งอง การต่อมาคือมโนสังเจตนาหามโนสังเจตนาอาหารนี่เขานำวิบากในกนนรรมมารูปมาคือตัวกรรมนี่เป็นอาหารนเหมือนกันเช่นกรรมในอดีที่เราทําไว้แนอดีนะครับปัจจุบัน ท, ที่เร า, าเกิดเป็นมนุษย์ที่เราได้รับความสุขและก็ความทุกข์ในปัจจุบนันจะถามว่าเป็นผลมาจากอะไรมาจากเจตนากรรมในอดีตฉะนั้นเจตนากรรมในอดีตจึงจะต้องเป็นอาหาร เป็นอาหาระอการสัตทั้งหลายทั้งบวงอยู่ได้ด้วยเหรอท่าชีวิตของเราที่ดำรงอยู่ได้เนี่ยเพราะกรรมหล่อเลี้ยงเอาคนบางคนป่วยอย่งนนะไม่ต้สักทีถือว่ากรรมหล่อเลี้ยงเยหล่อเลี้ยงเอาคนละกรรมเ่ยเราเบียนเบียนไปรื่อยๆอย่ะเดี๋ยวก็เจาะตรนันเดี๋ยวก็แทงตรงนี้เดี๋ยวก็อะไงเนี้ยกรรมหล่อเี่ย อ, อันนี้อยู่ได้อยู่ได้เลยอ่านอ่านก็คือตัวเรรมมันโน้นเจนนั่นเออเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็อ่านตาม้างเดี๋ยวก็ฝึกหัวใจบ้าเดี๋ยวก็ใจบ้างเดี๋ยวก็ตาบ้างเดี๋ยวก็ปอดบหรือว่าอะไรเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ากรรมไงแต่ว่าอย่าไปเหมาให้กรรมทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าโรคเนี่ยเกิดจากเหตุแต่ประการ เกิดจากเรียญแต่ประการในแต่ประการนั้นมีกรรมอยู่ด้วยบางทีก็เกิดจากดีเกิดจากทะเลเกิดจากลมเกิดจากอะไรต่างๆการใช้ยาบทการกินอาหารการอรต่างๆเยอะๆแล้วเราเกิดจากหลักใหญ่ที่สุดก็คือมันแต่จะไปโทษอย่างนี้นะแล้วที่วันก่อ น, อ น, อ น, แ, ลอนแล้วก็มีโยมคนแล้วก็เขารู้ว่าฆ่าปู่เขาก็มาคู่ปอก่ แต่เขาพูดแบบว่าคนไม่รู้คำจอบต้องมาพูดถูงว่าเออดีเนาะตรงนั้นป่วยเนี่ยบอกว่าถ้าใครเขาได้แต่ประสบความทุกข์ยากเกิดความเจ็บป่วยแล ก, กันแล้วก็จะได้ใช้ใช้หนี้ับหมายความบอกว่ า, วาเออเนี่ยเวลาเจ็บป่วยอะไรต่างๆหรือว่าเหมือนแบบเราไปทำมาให้กินเรากําลังประสบความทุกข์หรืความลำบากเนี่ยเราจะทนไหมฮะใช้หนี้ไป เดี tongue, ๋ยวเราใช้นี่ไปพอหมดนี่ก็มันก็สบายแล้วชีวิตแน่นอนถ้าเรพูดตามเดี๋ยวต่อไปพอเกิดไปอีกชาติหนึ่งนะว่าไหมเนะยเพราะชาตินี้เราทำเป็นดีๆเอาไว้ใช่ไหมพอไปเกิดอีกชาติหนึ่งเราก็หมดกรรมตัวนี้แล้วเราก็จะเจอกัอสิ่งดีๆนะถามว่าคิดแบบเนี้ถูกคิดมันเหมือนถูกไหมแต่แต่มันไม่ถูกตรงที่พูดด่าสาดสนามไม่ใช่รักที่ใช้นี่เนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า สองสามีภรรยาต้ออยู่ด้วยกันทะเลาะกันทุกวันพอจะเลาะกันทุกวันครัก็สามีป่าภรรยาเขาบอกว่าชาตินี้ยฉันใช้นี่คุณคือจะยอมรับใช้คุณนชาติน้าไม่เอาอีกแล้วก็้ขาบอกไม่เอาอยู่แล้วแต่ยอมรับใช้ชาตินี้เท่านั้นเองชาตินาไม่เอาอแล้วพอกันทีว่าไหมแ ล, แลม้วเขาก็คิดว่าเขาทําถูกที่จริงไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรรู้ไหมถ้าถามเขาบอกว่า คุณรู้ได้ยังไงว่าคุณไปเป็นหนี้เข้มันกันอะไรใช่ไหมอ่าถ้าคุณเป็นหนี้นะเนี่าก็จะยากเลยสามนี่คนอ่าถ้าเป็นหนี้่เป็นหนี้กี่วันคุณจะต้องใช้กี่วันไม่รู้เอาเพราะมไม่รู้แล้วจะจะไปใช้หนี้ได้ยังไงแล้วเป็นห น, นะ น, นี้อะไรบ้างอเป็นหนี้อะไรครับก็ไม่ทราบแล้วจะหมดหนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เอาเมื่อไม่รู้อย่างนี้ทํำไมไปพูดอย่างเนี้ยก็แสดงพูดในฐานที่ไม่มีข้อมูลเมื่อพูดในฐานที่ไม่มีข้อมูลยังไม่รู้ที่ไม่ถูกกเพราะว่าหนึ่งไม่มีกรรมสัจจะอยากไม่รู้เลยว่ากรรมไหนดีที่ทําไว้ไหนทํามากกับใครอย่างไรแค่ไหนสมมุติว่าคำกรรมที่จะมาเกิดคู่กับคนคนนี้ห้าร้อยชาติใช่ไหมนี่มันสมมุติเรามันมาเพิ่งได้แค่สองชาติเดย มันเหลือทั้ง480ข้ามจะว่าอย่างไรอย่าลืมนะคุณจะต้องตามดีทั้ง480ข้ามไม่เหมือนแพ้ไม่เหมือนมีคนไปฆ่าที่พระเจ้าเป็นบัญชาให้ไปฆ่าแพ่บูชายามพอทหารจับแพร่ไปใช่ไหมกำพ่ายตัดคอที่ตัดแพรแพร่ก็หัวลาะหัวลาอลขึ้นมาอย่างดักแน่พอหัวล้ะเสร็จแล้วแพร่ก็ร้องห้างไอ้คนไอทหารกะถามว่าเออแพร่ทำไมถึงน้องห้าง ทำไมถึงหัวร้อเบิร์กก็จับมาเรื่องปลาชาปลาชากระถางเนียททาไมทำไมถึงร้องทาไมถึงหัวล้อก่อนเมื่อหัวล้อเสร็จถึงร้องไห้แค่ก็ู่ได้แค่ก็บอกว่าที่หัวร้อเน่ยเพราะว่าจะหมดกรรมในชาที้แล้วคือโดนตักคอมาเนี่ย499ชาชานี้เป็นชาที่500จะหมดชาที่นี้ต่อไปจะไม่โดนตักคออีกแล้วเพราะไปทําตามเกี่ยวกับการตัดคออื่นมา อ้าแล้วที่ร้องไห้แล้วสงสารคนที่จะทํากรรมใหม่คือคนที่จะขาดคอเรายังงก็ไปเจอเพราเราเนี่ยเราเราร้องไห้สงสารพระราชาก็เลยบอกโอ้ท่านนั้นเลี้ยงแพ้ให้ดีเพรนั้นท่านอยไปกล้าเลยโอ้ไม่กล้าทำบาปก็สั่งให้ทหารนารัขาแพ้ก็บอกขึ้นารักขาก็รารักขาไม่ยุ่วิ่งทำไมจะไม่อยู่เราไม่นพราชากานั้นะให้ทหารนารักขาไล้วันหนึ่งกใกล้แพ้ไปกินหญายอย่ฟ้าขาก็หญินเปลี่ยน แต่ก้อนินออกมาเป็นโคมมีดเลยปุ้งมาตัดคอแพ้ขาดนี่มัน เ, เป็เจ้าเลยยกมันจะได้ให้กรพปริศูกร์ฟังดูว่ากาวเนี่ยถ้าจะส่งผลงให้หนี้ไปตรงไหนถ้ามีบรรยากาศ ก, าก็เรียบร้อยใช่ไหมกาที่บินมาดังค่ะก็ถูกตัดคอขาดขนาดที่ลบบุรีนอนควายลูกอยู่ก็บินยังลมใจตายเลยใช่ไอม น, นอนอยู่ในบ้านเนี่ยดูแล ไอ้นอนดูโทรทัศน์อยู่กับโลกเนี้ข้างบนยังไม่หล่นไปบ้านตายไปเขาเขารู้ว่าตรหนั้นจะมที่ข้างบนหล่นเขาจะไปนอนอยู่ตรงนั้นไหมมมีอีกคนนึงที่ว่าเป็นลูกสาวของผู้ตากลเงประเทศไปนอนหนาวแดดอยู่อีกคนนึงเครียดเรื่องทางธุรกิจแล้วก็เตงขึ้นไปบนชั้นที่เกจ็ดหลดนมาทับคนนี้วับอะไรเนี่ยอันนี้ผมบอกได้ว่าหนีอะไรหนีได้แต่อย่าไปหนีกรับ แล้วอย่าไปคิดว่าเราจะไปชดใช้กรรหมดเพราะว่าเราไม่ทราบเรามีตัวโมหันต์ปกปิดเราไม่รู้ว่าดีว่าเราทําอะไรมาเท่าไหร่เนีการไปคิดว่าเราจะชดใช้เนี่ยเป็นอีกละที่หนึ่งไม่ใช่พุท ธ, ธรรนะเลยนี่จะเป็นอยังไงให้มันอะ่อนสังเจตนาหาเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเป็นตัวเก่า ตัวกรรมมันเป็นอาหารทําให้สัตว์ทั้งหลายนะั้งสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมให้เกิดเป็นเปรตก็มีเป็นสุรกายก็มีเป็นสัตว์ประหลาดก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทวดาก็มีเป็นครมและก็เป็นรูปภพพรมเป็นรูปภพทั้งหลายเหล่านี้รู้ว่แต่เจตนากรรมในอีตนั้นเป็นตัวผักดันเป็นตัวผักดันประการต่อมาคือวิญญาณหาายวิญญาณอาหารก็คือพวกปฏิสัมพี่วิญญาณที่นำเจตสิกและกรมมันชร้นถ้าถามบอกว่าการปฏิสันพี่ทุกภพเนี่ย แล่วทาไมจังมีการเกิดให้ตัววิญญาณอาหารในตัวอาหารเนี่ยเป็นตัวนํามาใหวิญญาณอาหารนี่แหลยนำมาให้เาต้อบอกว่าการเกิดเนี่ยท่านหลวอมากว่าเหมือนโดดลงไปในหลุมฐานเลยการเกิดนี่นะเหมือนโดดลงไปในหลุมฐานเลย ฉะนั้นการเกิดแต่ละังเนี่ยมันจะตามมาด้วยชาติทุกชาติทุกหมดแนะทุกตามมาด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบากบาบาทุ้ข์ทุกคนเป็นอยนี้หพราั้นศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจากก้าเขาบอกว่าทํายังไงจะทํำลายเชื่อการเกิดได้ถ้ า, าดาวใจคุณยังมาทานที่จะเกิอดอยู่เลยคุณก็ต้องเนี่ยท น, นทุกข์กทรมานเลยมันเหมือนกับว่าเหมือนทุกวันหลวงพ่อเนี่ย ทุกว oh, ันที่เราใช้อาการกบว่าย้อมใจตัวเองว่าเดี๋ยวกลุ่มนี้ก็ดิีลองคิดดูตอนสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เขาบอกว่าลูกโตขึ้นมาเราก็สบายแล้วเราเยอะเราจะสอนใหอย่างนี้นะตอนที่เราโตๆกเหมือนกันเราก็คิดในใจตอนยังไม่ได้เข้าเรียนเหมือนแต่เราเข้าเรียนรงสบายแล้วใช่ไหมเราคิดอย่างงี้พอเข้ามาเรียนจริงๆเขาเขียนสบายเราก็คิดว่าเดี๋ยวเรียนจบแล้วก็สบายแล้วพอคนนี้นจบมาเราไม่สบายแล้ว ไอเดี๋ยวได้ทํางานก็สบายแล้วผมไม่้องหนผมไม่เห็นสบายบางคอ่เดี๋ยวมีครอบครัวก็สบายแล้วมันมีครอบครัวไปเสร็จเดี๋ยวมีลูกก็สบายแล้วเขามีลูกหัวยินมทุกอย่าเลยเอาไปลูกโตลูกแต่งงานเดี๋ยวก็สบายแล้วพกแต่ไว้ไม่เได้สบายทกว่านเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกหลอกจากตู่ยาตายายที่ไม่เข้าใจคําสอนเขาหลอกก็หลอกเองเขาหลอบอกว่าเดี๋ยวก็สบายมันเหมือนกับโรกทุกวันนี้ก็บอกว่า ประเทศไทยจช่วยกนบริหารเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันไม่มีอะไรจะดีขึ้นมันมีวันแต่จะแย่ลงเลยมันเหมือนชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยมันไม่มีดีขึ้นหรอกมันแย่ลงเรื่อยเรื่อยาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุขภาพมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันไม่มีมันมีแต่ว่ามันจะแย่ลงแย่ลงแต่ว่าเราจะชะลอมั้ยให้มันแย่ลงได้นานแค่ไหนแต่แย่แน่นอนเพราะใจจะไม่เงี้ยเหมือนสติปัญญาเนี่ย ถามว่า น, นักวันมันดีขึ้นหรือมันเสื่อมลงมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วบอกโอ้การเมืองเนี่ยเดี๋ยวเรื่องตั้งเราเห็นผู้กำลังเราเดี๋ยวเสดีกะนไม่ดีมันแย่ลงเรื่อยระบบการขัดแย้งแบบวนอภิษและต่างๆมาเรี่ยพราะว่ายากกลัดไว้นคนไม่ทำจ้าเกรยเล่าอยู่เรื่องใช่ไหมที่บอกว่ายามใดที่บอกมีหงอยูตัวใช่ไหมมีครอบครัวอยู่สี่คนเนี่ยแต่มีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสอง ลูกสองคนหรือลูกสี่คนแล้วก็พ่อกับแม่อยู่ไหมอยู่ต่อมาข้อตายไปเกิดเป็นปยญญาของทองแต่ถ้าเป็นปยญญาของทองอยู่ตายอยู่เมื่อานี่เป็นชาตกไปเอามาเทียบเพียงในปัจจุบันไดนี่ปัญญาของทองก็เทิ้งเมียและลูกเมียลูกอยู่ลำบากให้ก็บินบินมาก็มาจับที่ขอบหน้าตางบอกเมียและลูกคนเนี่ยต่อไปเนี่ยบอกพ่อตายไปเกิดเป็นของทองนะยังสงสาร เดี man, people, shared, me, ๋ยวต่อไปปีหนึ่งจะกลับมาช่วยเหลือจะถอดขนานที่เป็นทองให้ปีละหนึ่งเส้นทีนี้ก็ทำามีนี้ตลอดพราะต่อมาเนี่ยลูกๆเรียนจบก็ไปชมนะบอกให้ได้ปีละเส้นเนี่ยไม่นีก็ไปปรึกษาแม่บอกถ้าพ่อมีกรรมมาจะสอนทั้งหมดดีกว่าแล้วจะได้รู้ใช่ไหมเรียบร้อยมากระจับสอนต่อประทาน คนหาไมคืนทองก็เลยการเป็นคนหายธรรมดาก็ว่าโลกไปที่ตรงนี้ก็พยาของที่เขาสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับรูกก็เหมือนกับเมฆฉะนั้นในกรณีที่เราใช้ทรัพยากรในลักษณะนี้ในส่วนนี้โลกก็ถูกกำหนดฉะนั้นลักษณะทอกว่ามโนสังเกตนาอาหารเป็นตัวกรรมส่วนวิญญาณอาหารก็เป็นตัวปฏิสัมพฉะนั้นตัวปฏิสมพเนี่ยถ้าจะเกิดในภกไหนพระเจ้าบอกว่าเป็นภพ ทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความวิบากทั้งข้าในสุดที่ก็จะเป็นไปไม่ได้ครูบาอจารย์สอนอยังไงบอกว่าให้ให่ควรแล้วต่อเพื่อเดือนหนาในสิ่งนี้ในคำเหล่านี้นะกลับเรื่องดังรักอาหารแั่ที่ได้กลับแต่เรียกปัจจัยโดยออกวาหารปัจจัยควรได้แก่ทำทั้งพวงเดินที่ได้กลับ และปัจจัยอย่างนั้นๆยังผลให้เกิดขึ้นก็ย่อมชื่อว่านำมาขึ้นผลก็เรียกว่าอาหารนั่นเองเช่นภาษาอาหารก็นํามาซึ่งภาษากัมวิญกะลาอาหารก็นํามาสูุ่ของรูปนะคะแล้วรูปให้เกิดขึ้นในการจัดการตัดทั้งหลายดํารงอยู่ได้มนโนสังเจภาษาอาหารก็นําเวทนามาให้มนโนสังเจตนาอาหารก็นํำวิบากกลับมาเชืูอส่วนวิญญาณอาหารก็นกําเจตสิกแล้วก็ พวกกรรมชั่วรดต่างๆอยา่นี่สดุด้วยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสอีกอย่างวารู้ความวิสูตทั้งหลายอวิชชาล้วก็กล่าวว่ามีอาหารนะไม่ใช่มีมีอาหารอวิชชาทางความไม่รู้เนี่ยถามว่าอะไรเราเป็นอาหารของอวิชชาพระเจ้าก็บอกนิวรังขากามฉันข้ามิวรังพยาบาทผีน้มิท้าอุเทจารแล้ววิจิตริชชาอันนี้เป็นอาหารของอวิชชาและนิวรังมีอาหารไหมมีอะไรเราเป็นอาหารของนิวรันฮะอโยนิสงมนาสิการ คือการพิจารณาโดยไม่แ ย, ยกกายยกเป็นอย่างเช่นะถ้าเรายกเป็นอย่างเคิดโดยไม่แยกภายในถ้าไปคิดในสุภานม่มีเช่นของที่มันไม่งามเนี่ยนะแต่ถ้าเราไปคิดว่างามเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเกิดอะไรเป็นปัจจัยเกิดการมมาฉันทานี่วัดเช่นผมเนี่ยนะผมที่อยู่บนสีสันเนี่ยจริงๆงามได้ไหมงามโดยโดยคนทั่ทวๆไปเนี่ยเขาคงเข้าใจว่าผมไม่งาม ที่นี่ตัในสายตาของพระอิยะสายตาของพระพุทธเจ้าผมยังไม่งาที่ไม่งาเพราะอะไรผมเนี่ยมันฝังเข้าไปในศรีรษะแล้วมันก็ดูดกินเลือดกินเนื้อไงดูดกินเลือดกินน้ำหนองในร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกับผักนะผักตำลึงหรือผักบุ้งผักอะไรก็แล้วแต่ที่ไปปลูกไว้ในหลุมคุดถ้าไปปลูกไว้ในหลุมคุดมันก็กินนะทาน้ําโพนขึ่งมาหล่อเลี้ยงมันฉะนั้นต้องจับว่ามันไม่งา ผมก็เหมือนกันมันกินพวกเลือดพวกหนองพวกน้ำเหลืองในหัวเราเนี่ยแล้วมันก็จะเลยเม่าเงาออกมาอย่างนี้ชื่อว่าขมนะ้นไม่งามในสายตาของไอเดียแต่ในสายตาของเราบอกว่างามถ้าเราไปมองบอกว่างามใช่ไหมยพาบอกว่างามพวกเนี้ยมันจะเป็นพื้นฐางของความยินดีความด้วยตัวอันนี้กามไม่จัดตั้งก็คือแต่ถามวเออผิวในงามผิวหนังในงาม ต่ในสายตาก็งคนทไปเขาผิวยงามผิวงา ม, งามแต่ใน้สายตาของ่ายี่า้อิวไมมีงางเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งของเงือไทยเด็กๆเลยไมายถึว่ากระดูกสาวร้อยท่อนเส้นเอ็นเก้าร้อยเส้นชาด้วเนื้อเก้าชิ้นแล้วก็ปกคลุมด้วยหนังหนังสดแล้วก็มีหนังชั้นนอกหุมอยู่นั้นถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ว่ารวูว่าจะไม่งามเลย ถ้าเป็นรอกไปพิจารณาดูลักษณะนี้ถ้าไปคิดอย่างนี้นะเป็นโยนิสมนาิการแต่ถ้าคิดว่างามอันนี้เป็นอายโยนิสงฆ์เป็นปัจจัยเกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบทีนี้ถ้ากล่าวว่าพยาบาทนะถ้าเราไปคิดในปฏิฆมิตรอันนี้เป็นเป็นอาโยนิสงฆนาฏิการเช่นว่ามีคนคนหนึ่งใช่ไหมเขาพูดจาไม่ดี พูจาไม่ดีแหมคนพูดอย่างนี้มันน่านะถ้ามันน่าตำหนิมันน่าด่ามันน่าว่าเนี้ยถ้าไปไปไปเห็นลักษณะนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของพยาบาทนี้อจะไปเห็นคนบางคนที่เขาทาไม่ดีเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยนเราชอบไปดิโข่าวซะใช่ไหมถ้าเราไปดูข่าวพวกเนี่ยว่าถ้ามีคนคนนึงขับรถไปชนคนตาย พอขาับรถไปจนกรตันโตมแล้วก็ไม่รับผิดชอบหรือว่าคนตัวนึงไปฆ่าเขาเนี่ยไปยิงเขาตายไปตักคอเขาเนี่ยพอเราอ่านข่าวปุ๊บเดี๋ยวหึงเราก็โกรทั้งบ้านทั้งเมืองเราพากันตัดแช่งเลยถามว่าอารมณ์นี้เป็นที่ตั้งของอะไรปฏิกาณีนีน่นั้นถ้าเราเสดข่าวบริโภคแบบเนี้ยจะเป็นปัจจัยให้เกิดความเครียดเป็นปัจจัยเกิดโทสะอันนี้เป็นโทษไม่เป็นเกด เพราะว่าจริงๆแล้วเขาทําบาปแต่เรากลับไปร่วมทําบาปกับเขาโดยไม่โกรธถ้าจะคิดให้ดูกคิดยังไงที่จะเป็นโยนิโสที่จะไม่ให้ปัญบาณไม่ตกต้องคิดว่าเขาทํากรรมที่ไม่สูกแล้วกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําน่าหิงใจไหมหิงใจน่ า, นนารุนานะแน่ดุนะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าในขณะที่เราตัดคอก็าตูมนเลยนะกรรมเหล่านั้นเยจะส่งผลให้เขาให้เขาไม่ตก เราทำลำบาทั้งในปัจจุบันแล้วก็แม้ในสัปดาห์ยาพวกเขาไม่ทราบเลยเขาไม่เชื่อดึงตรงนี้แต่เรารู้คําสอนตรงเนี้ยถ้าเราคิดเป็นเนี่ยโทรศัพทไม่เกิดอันนี้เป็นเป็นอายุเป็นโยนิสงฆ์นะจิกลางถ้าอายุนิสงฆ์นั้นกลางไม่เส้าข่าางที่พวกใ น, นความโกรก็จะเกิดเราปล่อยไปทำบาปตามก็าด้วยอย่างนี้พีด่ดีเหมือนคนไปหาปลามาได้สักลกําเรือนแล้วโอ้ชื่ในใจ เ, เลยอย่างไน พเพราะว่าเจ้าแม่ดีตอนที่เป็นโรคหัวที่สาเนี่ยเจอเป็ น, <S <S นเนชื่อมใจนะคนฆ่าปลาทุกวันเลยเนี่ยเชื่อมใจว่าเป็นโรคปวดหัวนะลแล้วเราแปรกใจนะว่าเราไปที่ไหนมีนคนนะไม่เรากวนมัวอยูเรื่อยเลยนะเนี่ยเจอไปยินดีคอไปยินดีกับเรื่องเหล่านี้เลยยินดีเ้าฆ่ายินดีเขาทาสิ่งที่ไม่ดีไม่ยามเลยก็เป็นปัจจัยแก่การทาให้เราเราได้ไปสบจิ่งต่างๆเหล่านี้นส่วนปัจจัยที่จะทาให้เกิด พยาบาลผีน้ำมีชาหัวนั่นจากวิจิตชาวเปเทอร์เหลานี้ก็เป็นพวกอายุนิสงฆ์นักการใช่นะเอาวิชาก็มีนี่วันห้าหเป็นอาหารนี่วันห้าก็มีอายุนิสงฆ์นักการให้เป็นอาหารอาหารคือปัจจัยนี้ประสงมเอาในสูตรนี้นะฉะนั้นทำทุกอย่างมีปัจจัยก็คือมีอาหารแล้วมาสืบสาว ร, รู้ว่าทุกอย่างจะจำ อ, อย่างยกตัวยอย่างเช่นว่าถ้าไปที่เรามีอาหารยกตัวยอย่างเช่นว่าสีนเนี่ย ส, <gas> สีสเป็นปัจจัยเกิดปลาโมดเนี่ยในสีจะเป็นอาหารของปราโมดปลาโมดก็เป็นอา ห, ออหารของปีติปีติก็เป็นอาหารของปัจสทานปัจสถานเขาเป็นอาหารของความสุขความสุขก็เป็นปัจจัยเกิดเเป็นอาหารของสมาธิสมาธิเขาเป็นอาหารของยถาภุณญาณนะทัศนะยถาคุณญาณนะทัศนะเขเป็นอาหารของนิพิทานวังเมือนา นิพพานความเหนื่อหน่ายก็เป็นอาหารของวิราคาคือความคลายกํำลังวิราคามีความคลายกํำลังก็เป็นอาหารของวิมุตติคือความฝืดพ้นความหลืดพ้นก็เป็นอาหารของวิมุตติยานลัทธนาคือยาที่ต้องไปรู้ความหฝืดพ้นว uh. ิมุตติยานลัทธสนาคือยาที่ตข้าไปรู้ความฝุดพ้นก็เป็นอาหารของอนุปาชาบริพันธ์คือความดับสนิทโดนที่มีส่วนอยู่คือดับไม่ต้องเกิดอีกแลอีกเป็นอย่างนี้ฉะั้รมเนี่ยลักษณะนี้หัวทัพย์ทั้งหลายทั้งวงอยู่ได้ด้วย าาเมื่อถือเอาปัจจัยอาหารอย่างนี้แล้วก็ย่อมเป็นอังขือเอาทั้งหมดทั้งอาหารโดยอ้อมแล้วก็อาหารโดยตรงทีดังที่ได้กล่าวว่าในอสังยภพเนี่ยอสังยภพเนี่ยอาสังยัพกพบเลือกสังยักษตะพูเนี่ ย, ย, ยถามว่ามีอาหารอย่างไงเขาก็บอกว่าพราะพระเจ้ายังไม่บวชเกิดขึ้นเขามีลัทธินั่งบวตีลัทธิทำบุญกรรมวาโยติ่สิ เขาเอาทำวายโยกสินเนี่ยเขาก็เพ่งลมใช่ไหมลมที่พัดไหวตามต้นไม้ตามใบไม้เนี่ยหรือพัดไหวตามตัวตามผนังตามขวาอะไรกันถ้าลมพัดมาเขาก็เพ่งลงเนี่ยแล้วก็บริกรรมบอกว่าวายโยกสินางวายโยกินางเนี่ยเขาบริกรรมจนจิตเป็นสมาธิเพราะจิตเขาเป็นสมาธิเบ็ดเสร็จแล้วไอสมาธิเหล่านั้นก็จิตเขาก็เกิดความตั้งมั่น พราะจิตเกิดความตั้งมั่นนี่เนี่ยในที่สุดจริงก็ยั ง, งมาถมอรยชาถมผยู่ทุ่อาจารย์แต่อาจารย์เป็ู้ทีารยเป็นต้นให้เกิดขึ้นเมื่อเขาออกจากฌานแล้วเกิดความยินดีชอบใจว่าหน้าตีเสียนจิตจิตนี้หน้าตี่เสียงแค่เขาเริ่มคิดแล้วเขาบอกจิตคือความรู้สึกยังไม่ดีเลยเขาก็เลยมาเจริญฌานใหม่ว่าทํายังไงเขาจะเพิ่มจิตออกจากความรู้สึกก็ได้เอาถามอันนี้บอกว่าคนเราเจะสุด พ, พุทธพ่าเนี่ย สุทุกต้องมีใจใช่ไหมมี่ความคิดน้อยนิดนะถ้าเราไม่มีใจเนยเราก็มีความรู้สึกเพราะเรามีใจเราจึงอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินอยากดมเปลีนอยากลิ้มรสอยากคิดนึกต่างต่างเนี่านีนั่นเราจะต้องมัมุ่งง้างอยู่กับจิตเนี่ยต้องตามตามใจเขาอยู่ตลอดแล้วตัวอย่างเช่นว่าจิตอยากจะเดินเนี่ยเอาแล้วต้องไปเดินตามใจจิตถ้าจิตอยากจะดูเอาต้องไปดูตามใจจิตใช่ไหมจิตอยากจะเที่ยวก็ไปเที่ยวตามใจจิตใช่ไหม จะตอยากจะกินหาเรา<ช>ต้องไปกินไปตามใจจิตตามใ <laughs> จมันจิกอยากจะแต่งตัวให้สวยเขา แ, แต่งตัวตามจิตเองเขาเหนือแล้วเขาตีเดือนกินไม่ดีจิตนี้น่าตีเดือนเชื่อว่าการไม่มีจิตในหลักนี้จะเป็นการดีเพราะอาศัยจิตจึงเกิดทุกันมีการฆ่าการจองจําเป็นปัจจัยวะไหมเขากินเขาอย่างนี้นะนั้นเขาจะทํากํามาหาน จเจริญกรรมฐานเขาเรียกว่าสัญยาวเวลาท้าภาวนาเพราะว่าไนะเจริญสัญยาวเวลาก็แปลว่าการไม่ยินดีพอใจในจิตเมื่อเขาเขาใช้ตัวกรรมฐานใช้ฌานนีน่นะเป็นบารแห่งการเพิ่มจิตพอเขาเพิ่มติตต่อต่อมาพอเขาจิดสี่เนะ่เมื่อไม่มีจิตพุกนั้นก็ไม่มีดังนี้ เมือม่อเมื่อสะเมื่อเสริมชาญซึ่งซึ่งชีวิตแล้วไปเกิดไปเกิดใ น, นสัญญาสัวพวทุทีนี้สมมุตินะพวกนี้เมื่อเขาเขา เ, ขาเพิกมจิอตอย่างเนี้ยถ้าเขานั่งนี่ไหมในขณะนั้นเพราะเหมดอา ย, ยุหายจากการเป็นมนุษย์เป็นต้นหนึ่งตอนนั้นเขามีชาวพวนพอเขาตายในเอียปวดนั่งเขาไปเกิดได้เกิดในภพนี้เขาไม่มีจิตเลยเขาก็ไปนั่งอยู่อย่างนั้นแหะ ถ้าเขานอนตายไปนี่นะเพราะเขาทำฌานได้เจริญเาเพิ่มจิตได้นี่นะเพราะเขาตายจากอีอบทนอนเนะี่ยพอเขาไปเกิดใหม่ก็มีเป็นรูปอีอาวดนอนมีอยู่ในภพนี้ไม่มีจิตอยู่ใน น, นั้นเลยบางคนยืนอยู่นี่นะทําบริการก็ตายใน อ, นอนนะีอบทดยืนเนี่ยก็ไปยืนอยู่อย่างนั้นเนะี่ยงั้นเบางคนก็ไปอยู่ใน อ, นอนีอบวดยืนที่อีอาวด น, นั่งอีอบวนอนเป็นผู้ยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างตลอดห้าร้อยกลับ เป็นประดุลว่า้อนอยู่ตลอดการถึงเพียงนี้อย่างนี้เขาเรียกมีฐานอย่างเดียวคือมีโลกอย่างเดียวไม่มีจิตไม่มีอามเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าบบเอกาโมกันเ พ, พบที่มีฐานเดียวสัตว์เหล่านี้เขาถือว่าเขาพ้นพบแต่มันพ้นไม่จริงพอมันไปนหมดอายุมันก็ร่วงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นต้นตมลมวิญญาณกายเกิดอีกเห็นไหมว่าสัตว์เหล่านี้มีอยู่ถามว่าสัตว์เหล่านี้ยมีอยู่ได้โดยอาหารไหมมีทางไง ชาที่ไในอดีในเจรนานในชาเนี่เป็นปัใจจัยเดีเขาปัจจัยก็คือชายังมีอยู่ตราบใจก็ย่อมจำรองอยู่ตราบนั้นนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเขาจำรองอยู่ตราบใจก็ก็เป็นไปด้วยการอยูน่นะโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าต ร, รัสคําสอนตรงนี้ก็บอกว่าสัตวทั้งหลายจำรองอยู่ได้ด้วยหานเป็นทรรมมวลหนึ่งท่านาพระารีบุตรก็มาสแสดงสแสดงให้ทราบวันนี้ในสังคีสิสนะูตรเนี่ย ก็พยายามศึกษาใหเป็นไปตามลำดับเนี่ยเริ่มตั้แต่ทงหมวดหนึ่งทั้งหมวดสองเป็นต้นเป็นไปตามลำดับอนันนี้บาทีต่อทั้งวนเดียวเลละเพียงเจริญกุศลนินสักเล็กน้อยเดีย๋ยวได้แก่นะิดน ะ, จะเจริญ ก, กรรมาฐานมันก็สิ